จเจริญพรทุกทุกท่นนะานเมื่อวานก็มีฝนมาเล่นอะไรแถวนี้เนาะ <c oughs> ไม่มีบุญนะพวกเรายังไม่เป็นอะไรสงสารแต่ปลา <c oughs> สัตว์โลกมันบิดเลี่ยงกันนะความมืดความบอดความง้องเขา่าไม่มีความสุขรับทำร้ายกันไปทำร้ายกันมามันไม่เหมือนใจ ที่มีความเมตตาการุณาใจที่มีความเมตตาการุณามันมีความอิ่มมีความเต็มมีความสดชื่นอยู่ภายในของเราใครเข้าใกล้เขาก็มีความสุขด้วยสัตว์ต่างๆนะมันก็มีความสุขอย่างเราพอวนาไปใจเราไม่คิดเบียดเปลี่ยนใจพวกสัตว์มันยังรู้เลยอย่างที่วัดนะั้นแมวนะแมวเป็นแมวป่ามา มันเห็นพระก็ขเข้ามาหาได้ถ้าเห็นขลราวาสเนี่ยวิ่งเลยมันฉลาดมันรู้จักทุกคนก็อยากมีความสุขงั้นถ้าเราตัวเราเองก็อยากมีความสุขเราก็อย่าไปทําความทุกข์ให้คนอื่นเราให้ความสุขกับคนอื่นเราก็จะได้รับความสุขนะเราให้ความทุกข์คนอื่นเราก็จะทุกข์ด้วย นี่เราไปม่สามารถไปแก้ปัญหาที่คนอื่นได้เรามาปรับจิตปรับใจของเราแลวมาพัฒนาจิตใจของเราให้มันมีความสุขมีความสงบความเมตตากรุณาอะไรเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาเองใจมันมีความเมตตากรุณาใครเข้าใกล้เราเขาก็มีความสุขไปด้วยมันเริ่มจากคนใกล้ๆตัวในบ้านเราในที่ทำงานไป ความรู้สึกนี้ก็ขยายออกไปสู่คนเนอื่นด้วยพวกเราถือว่าพวกเรามีบุญวาสนามากเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังเหลืออยู่หรือจะเหลือกับพร่องกับแพร่งแต่ของแท้ๆยังมีของปลอมมากมายของแท้ๆเหลือนิดหน่อยอยู่ที่เรามีสติปัญญาจะเลือกสรรออกมาได้หรือเปล่าทุกวันนี้ธรรมะปลอมปนั้นเต็มไปหมดเลยไม่ได้เป็นไป เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขที่แท้จริงมันเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสซึ่งเป็นส่วนใหญ่อย่างสอนกันนะให้ทาบุญเยอะๆอะไรจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรอันนี้ทําไปเพื่อกิเลสนี่ทําไปเพื่อลดละกิเลสหรือคิดว่าภาวนาเนะี่ยทใจให้นิ่งๆให้ว่างๆมีความสุขเพะนั้นก็ทําไปเพื่อกิเลสกิเลสละเอียดขึ้นมาไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองเป็นความสุขของใจ ยังติดอยู่ตรงนั้นอีกใจนี้มันเป็นของแปลกนะถ้ามันเข้าไปติดอยู่ก็อะไรนะมันก็จะทุกทุกทีเลยนี่คนสติปัญญาไม่พอนะเนี่ยเพราะไม่เห็นว่าจิตเนี่ยเข้าไปยึดทีไรก็ทุกทุกทีไอ้จิตมันก็คลุกคลีอยู่กับโลกมันก็ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไปเรื่อยๆมันไม่มีสติไม่มีปัญญาพอนะที่จะเห็นว่าเข้าไปยึดทีไรก็ทุกทุกทีอันนี้ถ้าเรา เป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นชาวพุทธเราสังเกตจิตสังเกตใจของเราจริงหรือไม่จริงในจิตเราไปยึดอะไรยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสยึดในสัมผัสนมันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ไม่ว่าเราจะได้อะไรมานะเราสแสวงหามาอยากได้เราก็ทุกข์ละได้มานึว่ามีความสุขได้มากก็ทุกข์อีกกลัวจะเสียไปอย่างได้เงินได้ทองมานะมีเงินมีทองมากๆ ผมก็กลัวคนอื่นมาแยกบีเอาเงินไปฝากธนาคารกลัวธนาคารล้มอีกนะไปซื้อทองมาฝังดินแล้วพวคนมาขโมยอีกไม่ว่าจะมีอะไรนะเราก็ทุบต้นสิ่งนั้นเสมอเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยากมีเยอะๆยิ่งมากยิ่งดีที่จริงยิ่งมากยิ่งทุกข์นะมีพอดีพอดีนะมีความสุขเมื่อก่อนเราก็เคยเจอคราวหนึ่งมีคนเอาทุบ ขึไปปีนภูเขาขึ้นไปทําหาปลอกภูเขาไม่ใช่เตี้ยๆนะก็ขึ้นไปคนทู่ขึ้นไปไปขอให้หลวงปู่สิมท่านเสกบอกหลว ง, งปู่ฮะเอาเสกแบบขนหนูจุดแล้วนะคนมาร้านหนูเต็มเลยให้หนูรวยรวยรวยยรหลวงปู่ก็หัวร้อนนะรวยมากเดี๋ยวผู้ร้ายมันมานะนะนะมันไม่มีอะไรหรอกในโลกที่มันมาละมาด้านเดียวนะ ได้อะไรมานะก็มีปัญหาตามมาเรื่อยๆสุขของโ่มเป็นอย่างนั้นสุขมันไม่สมบูรณ์คนนี้ก็ฉลาดตัดเปลืองมากกว่าเก่าอีกถ้างนั้นหลงกูอธิษฐานเพิ่มนะขอให้กันโจรผู้ร้ายได้ด้วยเ <c oughs> อาหลายอย่างนะจริงจุดทูกมันไม่ได้ช่วยให้คนเข้าร้านหรอกนะหน้าตาตัวเองเป็นจวักนั้นนะไม่มีใครมาเอานังกวักไปตั้งก็ไม่ประโยชน์เลย ถ้าใจมันดีสัอย่างนะใจมันต้องเย็นเป็นสุขใจมันไม่ได้คิดคดโกงใครเครดิตมันดีคดก็อยากติดต่อด้วยอยากทําธุรกรรมด้วยแต่คนเท่าไหร่ไม่รู้นะว่าเราไปได้สิ่งต่างๆมาเราก็ได้ภาระมาด้วยได้ความทุกข์มาด้วยมีแฟนก็มีภาระนะเห็นไหมเราเคยอิสระมีแฟนแนละ้ไม่อิสระแนละ้วก็อคอยเอาใจเขามีบ้านก็ต้องห่วงบ้าน มีรถก็ห่วงรถไม่มีรถก็อยากมีไปซื้อรถมาซื้อมาแล้วก็กลัวหายกลัวขีดขวรกลัวอย่างนน้นกลัวอย่างนี้ไม่ว่าได้อะไรมาก็ทูกร้อนนั้นนะแ้วสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากกว่านั้นเราได้กายได้ใจมาเรามีกายมีใจนะเราไม่รู้หรอกว่ามันมีภาระตามมาด้วยพระแท้เจ้าถึงสอนนะขันห้าเป็นภาระ ขันห้ามันก็ย่อลงมาก็คือรูปกับนาำกายกับใจเราเองมีกายก็ทุบรอกกายนะมีภาระ ก, ระกับกายมีใจก็มีภาระกระับจิตใจมีร่างกายภาระเยอะแหมตั้แต่ตื่นนอนนี่ทำอะไรมาบ้างเกี่ยวกับร่างกายทำอะไรบ้างตื่นนอนมาปุ๊บบิดขี้เกียจก่อนมีภาระนะต้องบิดขี้เกียจก่อนนอนเสมอยเลยนอนทั้งวัก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ําช่โซฟะปลกอ่ะ ไปอือไปฉีนะแต่แล้วก็มีภาระอีกต้องแต่งตัวผู้ชายก็ง่ายหน่อยนะผู้หญิงก็ยุ่งยากหน่อยแต่งหน้าแต่งผมแต่งตาแต่งคิ้วแต่งไปเรื่อยบางทีแต่งไม่ทันขึ้นรถไปทำงานไปแต่งในรถต่อนะเราเข้าไปเห็นนะเห็นจ่าจ่าเลยนั่งเขียนปากนี่รถมันกระตุกน้ำปื๊ดนี่เลยนะคราวนี้ยุ่งเลยจะลบสีแดงๆออกจากแก้ม ภาระเยอะนะมีมีเสื้อมีผ้าคลาเนี้ยภาระน้อยไปไหนก็ชุดนี้แหละไม่ต้องคิดมากพวกเราต้องคิดเยอะใช่ไหมกระทั่งผมพวกเราผมเราแต่ละวันต้องคิดไหมว่าจะส่งไหนจะไปงานนี้จะส่งไหนบางคนก็ชอบน้ำหอมจะต้องงานนี้ต้องน้ำหอมอย่างนี้ต้องอย่างนี้นีภาระทั้งหมดเลยรองเท้าก็ต้องเข้ากับทรงผมอะไรนะยุ่งยาก ไม่ว่าได้อะไรมาก็ได้ภาระมันด้วยนะมีกายก็มีภาระเพรากายเราปลฏิบัติเราดูแลมันอย่างดีอย่างวิเศษที่สุดเลยสุดท้ายมันทรยศเราเรารักมันมากนะดูแลมันมากปกป้อ ง, อ ย, งอยั้ยุงสักตัวหนึ่งก็ไม่อยากให้กัด้ําเกี่ยวสักนิด ก, ก็ไม่อยากให้เกี่ยวสุดท้ายมันก็ทรยศนะมันแก่มันแ ก, มนแก่มันเจ็บมันตายเราดูแลอย่างดีติด ก, กับกขึ้นดูแลอย่างดีผมก็ง อ, อกอีก เนี่ยขนาดดูแลเต็มที่นะมันก็เป็นแปรปรวนไปเรื่อยๆมันนอกใจหรอกเรานะ่ยรักมันมากนะแต่ว่ามันนอกใจหรอกนี่ดูแลดูแลไปนะถึงจุดหนึ่งก็ดูแลไม่ไหวก็ต้องยอมรับสภาพต้องคืนให้โลกไปร่างกายนี้เป็นของที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วครั้งชวคราวแล้วเราก็ไปหลงผิดว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราที่จริงมันเป็นของยืมมาใช้เท่านั้นเองถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนเจ้าของ เน่ยถ้าใจไม่รู้ความจริงนันใจก็ไปรักไปห่วงแผนมากพอมันแก่เราก็ทุกข์มันเป็นเราแก่พอมันเจ็บเราก็ทุกข์มันเป็นเราเจ็บมันตายเราก็ทุกข์อีกมันเป็นเราตายพระแท้เจ้าจะสอนให้เราหันมาเผชนิญความเป็นจริงมาเรียนรู้ความจริงความจริงในร่างกายนี่เป็นยังไงร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ําไป เป็นเหงื่อเป็นปะสะัสสาวะเป็นอะไรไปเนี่ยมีท่านหมุนไปเรื่อยๆแค้จริงร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อท่าเ น, นี่คือความจริงของมันความจริงที่เจ็บปวดมากกว่านั้นอีกก็คือมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนะความทุกข์เนี่ยบีบคั้นมันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งๆ ท, ที่เราคิดว่ามันเป็นของดีของพิเศษ มันดีสําหรับคนหลงเท่านั้นแหละนะคนมีสติคนมีปัญญารู้สึกลงในร่างกายเนะีย่ยจะเห็นในร่างกายนี้มันมีแต่ตัวทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีความทุกข์สิงอยู่ข้างในเดี๋ยวก็เจ็บตรงโน้นเดี๋ยวก็ปวดตรงนี้เดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกหายนะเดี๋ยวปวดอึเดี๋ยวปวดฉี่อะไรวุ่นวายนานๆป่วยหนักๆสั ก, กสทีหนึ่งสุดท้ายก็ป่วยมากตายเนื้อร่างกายจริงๆเป็นอย่างนี้ ถ้าเรามีสติปัญญานะเราค่อยรู้ความจริงของร่างกายไปเรื่อยๆต่อไปความยึดถือในร่างกายก็จะลดลงถ้าเราไม่รักมันสัอย่างนะไม่ยึดมันสัอย่างเนะมันแก่จะไม่ใช่เราแก่ละมันเจ็บจะไม่ใช่เราเจ็บมันตายไม่ใช่เราตายมันเป็นอะไรแก่วัตถุธาตุมันแก่วัตถุธาตุมันเจ็บวัตถุธาตุมันตายมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกนะพูดแล้วเหมือนยากจริงๆไม่ยากหรอก ฝึกเจริญสติเจริญปัญญาอย่างที่หลวงพ่อสอนไปเรื่อยๆนะเวลาฉุกเฉินเวลาจําเป็นขึ้นมาเนี่ยอย่างบางคนลดปั้มจิตมันดีดผางออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลเลยมันเห็นร่างกายกําลังกลิ้งๆไปนะหรือบางคนหกล้มนะสติปัญญ า, ามดีดผางออกมาเห็นร่างกายขยับเป็นช็อตๆเลยนะยหัวจะกระแทกพื้นก็หลบสักหน่อยหนึ่ง แค่ที่จะเจ็บมากเราเจ็บน้อยนะสิสติปัญญ า, ยาทำงานขึ้นมามันคุ้มครองรักษาตัวเองได้มากขึ้นมากขึ้นแต่รักษายังไงสุดท้ายก็ตายไปไม่รอดหรอกเพราะว่ามันของมีขอบเขตมีอายุของมันมันอยู่ได้แค่นี้แหละทาดขันของมนุษย์อยู่ได้ไม่เกินร้อยห้าสิบปีคาดขันมนุษย์เกินมากไม่ถึงหรอกเนาะอันนี้พูดตามตารานะโ ของพวกเราเนี่ยถ้าเจริญอิทธิบาทสี่หน้าตาอย่างเนี้ยเจริญไม่ได้เจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยจะอยู่ได้กับหนึ่งหรือมากกว่ากับหนึ่งคำว่ากับเนี่ยไม่ใช่มหากับมหากับคือตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลดับไม่ได้อิทธิบาทสี 4, ไม่ได้ทําให้เกิดอย่างนั้นแต่ว่าอิทธิบาทสี่ทำให้มีอายุเรียกวอายุกับอายุกับคืออายุเฉลี่ยของคนรุ่นนี้ อายุเฉลี่ยของคนรุ่นเราก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีงั้นถ้าเจริญีที่บาดสี่ก็จะอยู่ได้เจ็ดสิบห้าปีหรือมากกว่าแต่ก็ไม่เกินสองกลับก็ไม่เกินร5อยห้าสิบปีประมาณนั้นแต่พวกเราไม่ได้เจริญหรอกนะพวกเราเจริญกิเลสเจริญเลยร่างกายถูกเผาผลาญเยอะในเกณฑ์นั้นถ้าครูบาอาจารย์ท่านยิ่งแก่ดูสดใสนะพวกเราแก่แล้วสุดโทมพวกเราไม่ได้เจริญ หน้จิต ท, ที่ฝึกดีนะนำความสุขมาให้จริงๆนี่เราค่อยเรียนรู้ลงไปนะในร่างกายเนี่ยร่างกายนี้มันเป็นตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของยึงโลกมาใช้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปบ่อยๆเจนมันเห็นความจริงสิ่งที่ปิดบงังความจริงไว้มีอะไรบ้างสิ่งที่ปิดบงังอนิจจงนะเขาเรียกว่าสันตติคือความสึกเนื่องอันนี้อยจะเล่าให้ฟังต่อที่เป็นเรื่องของการดูจิต สิ่งที่ปิดบังทุกข์นะคือการเปลี่ยนอิทธิบาตรคือเปลี่ยนอารมณ์อย่างเรานั่งเมื่อยเราเปลี่ยนแนละ้ว mm. ก็หายทุกข์มันเปลี่ยนไปหิวข้าวเปลี่ยนอิทิบาตรไปกินข้าวก็หายทุกข์ปวดเอือปวดฉี่เปลี่ยนอิทิบาตรไปเือไปฉี่ซะมันก็หายทุกข์นะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าความันทุกข์ปุ๊บนะเราก็เรียบแก้ไปแก้จนอัตโนมัตแก้จนกระทั่งไม่เคยเห็นเลยว่ามันทุกข์ งั้นถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมารู้สั ก, ก่อนนะแล้วค่อยขยับรู้สั ก, ก่อนแล้วค่อยขยับหิวขึ้นมารู้ก่อนว่ามันทุกข์นะเราค่อยกินง่วงนะรู้ก่อนว่ามันทุกข์นะเราค่อยนอนะ่ค่อยรู้สั ก, ก่อนแล้วค่อยทําค่อยแก้ไม่ใช่แก่อัตโนมัติจกนกระทั่งไม่เคยเห็นทุกข์เลยก็จะเป็นหลง เลิ่นเปลืนว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษจงกระทั่งความทุกข์รุนแรงนั่นแหละตัวยังปิดบังไม่อยู่งั้นสิ่งที่ปิดบังความทุกข์ไว้ก็คือการที่เราคอยขยับคอยเปลี่ยนอิเลียบทไปเรื่อยๆสำหรับร่างกายสำหรับจิตเรื่องเรื่องเปลี่ยนอารมณ์ดูหนังนี้นเบือ่อดูอย่างอื่นไปฟังเพลงฟังเพลงนี้เบือ่อไปกินข้าวเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆใจก็เลยรู้สึกว่าใจไม่ทุกข์เลยมีแต่ความสุขทั้งวันบางคนบอกแนมะ้ว่าไม่เคยกรธไม่เคยอาฆาดใครเลยนะ อย่างซูสีไทยเฮาเนี่ยไม่เคยคาดใครตปวที่อะไรมันตายหมดเลยไม่ต้องคาดเลยะมันไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นในใจก็คือมันเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไอ้นี่ใช่ไหมมันทุกข์ข้ามจริงไปอารมณ์นี้หมดไปเปลี่ยนอารมณ์ไปมีภรรยาคนนี้อยู่มันนาแล้วเบื่อนะเปลี่ยนภรรยานเปลี่ยนอารมณ์ไปก็มันก็รู้สึกสบายไม่ทุกข์นี่เวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะจะเกิดในกายในใจเลยให้รู้สึกซะก่อน รู้สึกก่อนเราค่อยเปลี่ยนอารมณ์ค่เปลี่ยนอิทธิยบทแล้วมันจะรู้เลยร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตก็ไม่ใช่ของดีของมิเศษอะไรสิ่งที่ปิดบังหน้าตาคือการที่มันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเราไม่เห็นหรว่าตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีคณะคอละคังนอนหนูคณะกที่ขันมันมารวมกันเลยมอเลยปิดบังความจริงว่าไม่มีตัวเรา มันไปนรวบเอาขันห้ามาเข้ามาไปด้วยกันนะสัญญาเข้าไปหมายว่านี่คือเรานี่คือเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แยกขันออกไปนะแยกขันออกไปแล้วความจริงจะปรากฏไปร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลทั้งหลายไม่ใช่เราความจําได้หมายรู้ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราเนี่ยตัวคณะนะตัวการที่มันรวบเข้ามามันรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมันทําให้รู้สึกว่ามีตัวเราเกิดขึ้นเงั้นพระพุทธเจ้าจะสอนให้รู้จักแยก เราแยากขันที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆแยกาาตุแยกขันจําได้ไหมลองแยกเข้าไปสีแล้วจะเห็นไม่มีตัวเราเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราจิตก็ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นมากๆเข้ามันเป็นอะไรมันเป็นตัวตัวทุกข์มันเป็นธาตุเป็นขันเป็นรูปเป็นนามเป็นทุกข์ไม่มีตัวเรางั้นเวลาแก่ไอ้ใครแก่ร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่เวลาเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาตายร่างกายตายไม่ใช่เราตาย เวลามีความสุขมีความทุกข์ใครมีจิตมันมีไม่ใช่เรามีนะใครพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตมันพลัดพรากไม่ใช่เราพลัดพรากใครประสบสิ่งที่ไม่รักจิตมันประสบสิ่งที่ไม่รักไม่ใช่เราประสบสิ่งที่ไม่รักเนี่ยถ้าแยกขันออกไปได้แล้วตัวเรามันจะหายไปะเงั้นสิ่งที่มันปิดบังความจริงเอาไว้นะตัวที่ปิดบังอันนี้จังเนี่ยเรียกวสันตติคือการที่เกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วเหมือนอย่างไฟฟ้าเนี่ย ไฟฟ้าสลับนึงเกิดดับตลอดเวลาวินาทีหนึ่งหลายสิบครั้งหนูก็จําไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันเกิดดับต่อเนื่องกันเร็วเราเลยรู้สึกว่ามันคงที่ไม่มีเกิดดับอย่างจิตเนี่ยก็เหมือนกันจิตกิดดับเกิดต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วจนกทั้งเราดูไม่ออกสติปัญญาเราไม่ทันเราเลยรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวเช่นเดี๋ยวจิตดวงนี้แหละวิ่งไปดูแล้วก็กลับมาจิตดวงนี้วิ่งไปฟังแล้วก็กลับมาจิตดวงนี้วิ่งไปคิดแล้วก็กลับมา ที่จริงจิตที่ดูเขาดวงหนึ่งจิตที่ฟังเขาดวงหนึ่งจิตที่คิดเขาดวงหนึ่งคนละดวงกันสติปัญญาไม่พอสันส ต, ติไม่ขาดเลยไม่เห็นถ้าสันส ต, ติขาดจะเห็นเนี่เรามาฝึกนะมาฝึกเพื่อให้เห็นความจริงในใกายในใจมาเพิกถอนสิ่งที่ปิดกัน้นความจริงเอาไว้สิ่งที่ปิดกั้นทําให้เราไม่เห็นอนิจจังกนะ็คือการที่มันเกิดดับสืมเนื่องกันไปเรื่อยๆเราก็มาสังเกตดูกเราใช้วิธีสังเกตเอาอย่างจิตใจเราเนี่ย จิตใจเราเดี๋ยวก็สศกจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวก็ชั่วหมุนติ้วติ้ติติทั้งวันเลยเนี่เราคอยรู้สึกลงไปเรื่อยเดี๋ยเราก็จะเห็นนะ้จิตใจที่โกรธเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวเราก็หายไปเกิดเป็นจิตใจที่ไม่โกรธจิตใจไม่โกรธอยู่ชั่วคราวก็หายไปเกิดจิตโกรธใหม่ก็ได้เกิดจิตอย่างอื่นอีกก็ได้นี่เราหัดดูของจริงไปเรื่อยนะสุดท้ายเราก็จะรู้เลยจิตโกรธก็ดวงหนึ่งจิตรอบก็ดวงหนึ่งจิตหลงก็ดวงหนึ่ง จิตที่ไปดูก็ดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังไปดมกลิ่นไปริมรถไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปคิดทางใจโคนละันทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับถ้าเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะเห็นอนิจจังของมันนะว่าจิตนี้เป็นอนิจจงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะถ้าฟังแล้วรู้สึกอย่างยากอยู่ถ้ามาใหม่ๆไม่เคยเรียนกับหลวงพ่อฟังแล้วจะยากนิดหนึงให้ช่วยตัวเองหน่อยฟังซีดี ไม่มีซีดีฟังก็ไปดูอยู่ทงยู u ู e นะที่หลวงพ่อเทศไว้นะไม่ใช่ดู youtube อนอื่นนะเขาไปดู youtube มาสามวันแล้วยังพาวนาไม่เป็นดูอะไรดูนิยา ย, ยดูละครดูเพลงอนะไรงี้ะไปฟังที่หลวงพ่อเทศไว้เหอะคนที่เขาไม่เคยเจอหลวงพ่อด้วยซ้าไปหลังๆนี่เจอเยอะเลยเนะข้าพาวนาเป็นเขาฟังซีดีเขาก็ดู u t u b e เอานี้ไลย พนาเป็นเยอะแยะเลยแยกธาตุแยกขันได้เห็นธาตุเห็นขันแสดงใจลักณ์ได้อนะสิ่งที่ปิดบังมันถูกเพิกออกไปเตอนสติมันเร็วนะมันเห็นเกิดดับมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของคงที่แนละ้วทุกอย่างเกิดดับ จ, ดด จ, ดจิตที่ดูก็ดวงหนึง่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ดีก็อันหนึ่งจิตที่โรภโกรธหลงแต่ละอันแต่ละอนก็แยกกันออกไปค่อยๆหาดดูหัดดูไปเนี่ยไม่ยากนะไม่ใช่เรื่องยากหรอก นี่ก่อนที่จะมาถึงการเจริญปัญญาที่เราแยกได้เนี่ยขั้นต้นนะคือศีลห้าต้องถือศีลห้านะไม่ต้องถือศีลแปดศีลห้าก็ถือให้ได้ถ้าอยู่ๆไปถือศีลแปดมันจะเป็นศีลแปดเพื่อนมันไม่ใช่ศีลแปดจริงหรอกถือศีลห้าแค่นั้นพอศีลห้านั่นแหละเราได้โสดาสัปดาห์คาสบายๆเลยไม่ยากอยู่ๆเป็นคัรวญไม่ยินเสียอนจะถือศีลเยอะๆะ ถือไม่ไหวเครียดถ้าถือเราเครียดไม่บรรลว่าถุประสงค์แล้วใจไม่สงบใจไม่สงบสมาธิไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญามก็ไม่มีะงั้นถือพอดีพอดีเอาห้าข้อพอแล้วห้าข้ออย่างเราต้องเลี้ยงลูกค้าบางทีลูกค้ากินเหล้าเราก็ไม่ต้องกินเหล้าเรากินกลับะเราก็บอกเราแพ้เหล้ากินเหล้าแพ้อะไรแพ้กิเลสเราไม่ต้องบอกเขานะเดี๋ยวเขาโกรธเรา เนี่ยใครชวนหลวงพ่อกินเหล้าแล้วแต่แพี่โยมแพ้คืนกินเหล้าแพ้แพ้ใหมก็ไม่ว่าอะไรแล้วนะคนเป็นโรคภูมิแพ้เยอะ <c oughs> เราก็ไม่ได้โกรธไม่กินใหม่ๆก็ยากนะอย่างหลวงพ่รับราชการนะข้าราชการนะโอ้ชอบกินเลี้ยงเวลาไปไหนมาไหนนะ่ะกินเลี้ยงต้องกินเหล้าเราผู้น้อยอะเราจะไม่กินผู้ใหญ่กินเท่านั้นเรียกให้เรากินะ่ะนะ คนชั่วนะชอบลากคนอื่นให้ชั่วตามนะถ้าพูดสำนวนใหม่ก็คนเอื้อเฟื้อเผือแผ่แนะอยากให้เราได้รับความสุขอย่างเขาบ้างนะนี่เพื่อเรามีความสุขอย่างอื่นชะแล้วนะอดทนค่อยๆสุดท้ยยยยายพอเราโตขึ้นนะสีเราเยอะๆขึ้นนะใครมานั่งกับเราเนี่ยไม่กล้ากินเรลาเลยเขารู้ว่าเราไม่กินตรงนี้เป็นบารมีแล้วนะแต่บารมีอ ย, อยู่ๆไม่เกิดนะเราสะสมกันนานนะอย่างหลวงอตอนนี้มีบารมี อยู่ข้อหนึ่งนะมองหน้าใครคนนั้นตัวแข็งเป็นไหมสายตาเนี้่ยยังเกิรบเมดูซ่ามองแล้วมีนะบางคนมันไม่เจียมตัวนะอักรูปหลวงพ่อไว้เยอะเลยแล้วไปปิดไว้ทั่วบ้านเลยสุดท้ายโรคจิตจะกินหันไปน้สตุ้งไม้คนรูปมาให้หลวงพ่อไม่ไหวแล้วใช้ชีวิตที่สบายๆแต่ไม่ให้ชั่วนะสบายๆ อ, อย่าเครียด จิตใจที่เครียดภาวนาไม่ได้จิตใจที่ดีที่สุดคือจิตใจของคนธรรมดาจิตใจที่ธรมธรมดาธรรมดานี่นี่คนเราเวลาจะคิดจะภาวนาจะปฏิบัติธรรมนะมันชอบวางฟอร์มชอบทําคลึมชอบทําเครียดชอบทำเคร่งเคร่ ง, รยงอย่างเสื้อสีชมพูเนี่ยทำเองขรึมขรึมเคร่งเครนะ <c oughs> <c oughs> ใจมันแน่นแน่นสิใจมันไม่สบายอะ่ะนะสงสัยว่าจะเตรียมส่งอับาน เครื่องเต้าแต่ยังไม่ได้จะส่งเลยนะใช่ใจธรรมดาอย่างนี้เมื่อกี้ว่ร์ร็อกใจสบายรู้สึกไหมใจสบายรู้ว่าสบายรู้สึกต่สบายสบายเวลาที่เราเชี่ยวฝึกจิตฝึกใจนะที่แรกถือศีลห้าถัดมาเราก็ฝึกจิตฝึกใจให้มันมีสมาธิวิธีฝึกให้เกิดสมาธิไม่ชากอะไรหรอกสมาธิโดยธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้ว อย่างเราทํางานได้ทุกวันนี้มันก็มีสมาธิแหละมันเป็นคณิกาสมาธิหรือคิดอะไรที่ซับซ้อนได้ก็มีสมาธิพอสมควรนี่เพียงแต่สมาธินั้นเอาไปใช้อย่างอื่นหมดไม่ได้สมาธิย้อนมาหาตัวเองต่อไป น, นี้เราค่อยๆสังเกตตัวเองทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นจิตมันไม่มีสมาธิมก็ฟุ้งซ่า น, นก็แค่นั้นเองกลับข้างกันนะสมาธิกับฟุ้งซ่านะ ถ้าไม่ฟุ้งมันก็สงบถ้าสงบมันก็ไม่ฟุง้งมันก็แค่นั้นเองจิตฟุ้งสัน้นเพนา็จิตมีกิเลสฟุงส้งันความฟุ้งสั้นเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะชื่อโมหะเป็นตระกูลโมหะงั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งสั้นเนะเมืาอนั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องไปดับมัน อย่างบางคนนะจิตฟุ้งซ่านเนี่ยหาทางหายใจใหญ่พุทธพุทธหายใจอย่างเดียวไม่พอต้องพุทธด้วยต้องนับด้วยต้องกระดิกมือด้วยบางทีกระดิกท้องกระดิกเท้าแล้วเยอะเลยสุดท้ายก็ฟุ้งอย่างเดิมเพราะไม่ไม่รู้หลักนะมัไม่รู้หลักพยายามบังคับให้จิตสงบเนี่ยจิตจะไม่สงบจำไว้นะจิตเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครบังคับจิตเนี่ยมีธรรมชาติไม่ชอบให้ใครบังคับหรอกต้องรู้จักโอโลมปฏิโลมนะ แล้วเราทํากรรมฐานเนี่ยถ้าจะฝึกให้จิตใจสงบนะทําใจสบายก่อนวิธีทําใจสบายยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานยิ้มให้ใจคลี่เลยนะยิให้ใจมันคลายให้มีความสุขเะื่อใจมันผ่อนคลายแล้วก็ทํากรรมฐานไปด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่าไปเริ่มต้นไม่ได้กินหรอกอย่าหลวงพ่อจะฝึกให้ทําใจให้สงบนี้ สงบเดียวนี้เลยนะไม่เห็นมีอะไรเลยนะใจมันมีความสุขอะ่ะงั้นเคล็ดลับอยู่ที่มีความสุงนะทำไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายนี้เราเครียดๆมาเรายิ้มหวานๆสักทีหนึ่งก่อนยิ้มให้ใจมันคลายนะลืมโล่งไปก่อนทำให้ใจมันผ่อนคลาย้ใจมันผ่อนคลายแล้วก็ทำกรรมฐานเช่นเราหัดพุดโทโธแล้วก็พุโทโธไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลาย แล้วเราก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปที่อื่นมันลืมพุทโธมันหนีไปเรา ร, รู้ทันอ้าหนีไปคิดเรื่องอื่นละคิดเรื่องลูกระเบิดละอย่างเงี้นะเรารู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่ฟุง้งซ่านทันทีที่รู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านนะจิตที่สงบจะเกิดขึ้นเองเพราะอะไรเพราะว่าสติมันเกิดถ้าสติเกิดความฟุ้งซ่านจะต้องดับอัตโนมัติไม่ต้องไปทํามันไอ้ที่พวกเราพยายามจะทําให้จิตสงบนั่นแหละทำผิดมันทำได้โลภะไม่ได้ทําด้วยสติ ถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบเลยง่ายขนาดนั้นเหมู่มากแค่นี้ก็สงบได้แล้วเห็นใช้เวลาไม่มากลึกไปหน่อยเนือเทศไม่ได้ <c oughs> หายใจเรารู้สึกตัวสิยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหานหายใจไปแล้วรู้ทันใจของตัวเองใจฟุ้งซ่านใจหนีไปก็รู้ส่วนใหญ่หนีไปชิด ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยคอยรู้ทันใจที่มั น, นไหลไปไหลมาคอยรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตื่นขึ้นมาเองนะแต่หันใหม่ๆนะมันจะเป็นสามสเต็ปอย่าคนทั่วไปมีสเต็ปเดียวจิตเนี่ยมีแต่หลงหลงหลง ล, งลงอย่างเดียวนะแต่วเราหันใหม่ๆเนี่ยพอหลงไปแล้วเรามีสติรู้ว่าหลงนะลเนี่ยก็ตัวนี้เป็นรู้ถลังจากนั้นจะรีบกลัวจะหลงอีกจะเริ่ม บ, บังคับตัวเองกลาเป็นเพ่ง ย่าเผลอเราก็รู้แล้วก็เพ่งพาฝึกชํานาญขึ้นไม่เพ่งอย่าเผลอเรารู้เผลอเรารู้เผลอเรารู้นะถ้าฝึกจนถึงขีดสุดเนื้อเหลือแต่รู้ก็รู้ไม่มีเผลอใจมันไม่ไหลมันไม่ต้องรักษาใจมันไม่ไหลไม่ไม่ีอะไรเข้ามาปรุงแต่งใจได้อีกล่ะสบายไม่ต้องดูแลใครไม่ต้องดูแลไม่มีภาระนะงั้นใจนี่มีภาระถ้าไม่ดูแลเนี่ยชั่วทันทีเลยรู้สึกไหม จะไหลลงต่ําทันทีเลยเพราะฉะั้นตอนนี้ยังมีภาระก็ต้องดูแลไปก่อนนะไม่ใช่อยู่ๆก็ปล่อยวางสุญญาตาปล่อยวางหมดสุดท้ายก็ชั่วอย่างเดิมหรือชั่วกว่าเก่าอีกไม่ได้เรื่องหรอกงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะรู้อารมณ์กรรมฐานนั้นด้วยใจที่สบายด้วยใจที่เป็นธรรมดาที่สุดเลยไม่ต้องไปเค้นไปบีบไปบังคับใจเคลื่อนเรารู้ใจเคลื่อนเรารู้เนี่ยแหละสมาธิจะเกิด พอเคลื่อน ร, รู้ได้สมาธิขณะเคลื่อนอีกรู้อีกได้อีกขณะสุดท้ายนี่มันชำนิชำนาญมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่ทั้งวันนะนจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้สึกตัวอยู่ได้ทั้งวันใจจะผ่อนคลายนะจะไม่มีน้ำหนักในใจถ้ามีน้ำหนักในใจเหมือนในเสื้ออะไรผมเขียวๆนั่นนะี่นะเนี่ยอันนี้จงใจทําขึ้นมานะไม่ใช่สมาธิที่ถูกนะใจมันจะมีน้ำหนัก นะถ้าใจมีสมาธิที่ถูกนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระบาทจิตจะมีละหูตาคือความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนเรียกว่ามูทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวนะไม่เนิบเนิบเฉยเฉยนะนะเรียกว่าป่ากุณตาไม่ขี้เกียจนะเหมาะ ก, กับการที่จะทํากรรมฐานนะเรียกกรรมยถาควรเกต ก, การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกวิชุกตานะในขณะนั้นไม่ได้รู้เพราะโลภนะรู้แล้วเพราะไม่ได้รักไม่ได้เกลีย รู้อย่างซื่อๆรู้อย่างเป็นกลางนี่คือจิตที่ดีจิตที่วิเศษจิตที่จะใช้เจริญปัญญางั้นเราอยังไปรวบจิตเข้ามารวบจิตเข้ามันจะแน่นๆนะแน่นๆนี่จิตดวงนี้ใช้ไม่ได้จิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อคืออกุศลจิตนะเกิดจากโลภะมีโลภะก่อนอยากจะดีก็บังคับไว้แล้วบังคับมากๆก็เครียดเป็นโทสะนะสุดท้ายก็หมดแรงบังคับพุ่สซ่านไปเลยลงไปเลย เพราะฉั้นเราทำใจสบายก่อนอย่าคิดว่าจะปฏิบัติธรรมไม่ต้องคิดเรื่องปฏิบัติธรรมเลยนะรู้สึกตัวสบายๆทำใจให้ผ่อนคลายก่อนยิ้มหวานหวานให้มันมีความสุขนะแล้วก็ใช้ใจที่มีความสุขเนี่ยไปทำกรรมฐานเห็นระ่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าด้วย ใ, ใจที่มีความสุขพุทโธไปด้วยใจที่มีความสุขดูท้ององยุบด้วยใจที่มีความสุขเดินจงกรมด้วยจิตใจมีความสุข แล้วก็รู้ทันใจเดินเดินจมกลมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าก็รู้ให้ฝึกอย่างนี้มากๆากนะกสมาธิที่ถูกเกิดเกิดขึ้นสมาธิที่ถูกเกิดขึ้นเราก็จะเจริญปัญญาได้มาดูร่างกายเราก็จะเห็นนะร่างกายนี้เป็นแต่ตัวทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะทุกข์ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนทุกทั้งนั้นหายใจออกหายใจเข้าทุกทั้งนั้นเลยนี่จะเห็นทุกข์ผียิบไปเลยแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ตัวเรา เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเนี่ยถ้าดูกายถ้าดูใจละ่ะดูใจก็ดูตามความดูตามดูความรู้สึกการดูความรู้สึกของตัวเองมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วมันโลภมันโกรธมันหลงมันค่อยรู้ไปด้วยแล้วก็จะเห็นว่มันสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วครา ว, วสงบก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหนักก็ชั่วคราวเบาก็ชั่วคราว สว่างก็ชั่วคราวมืดก็ชั่วคราวแคบก็ชั่วคราวกว้างก็ชั่วคราวจิตแคบจิตกว้างได้ด้วยนะรู้จักไหมโบราณมีคํานึ่งคำว่าใจกว้างถ้าใจทรงฌานเนี่ยใจกว้างมากเลยใจใหญ่กว่าพระธิตดาพระจันทร์อีกนะโตขนาด น, นั้นเลยถ้าใจแคบแคบใจมีกิเลสเยอะใจแคบแคบเหลือดวงนิดเดียวเรียกใจแคบคนโบราณเก่งจริงนะใครยังรู้สึกว่าใจของเราแคบสักแค่นี้บ้างมีไหม ดูตัวเองออกไหมหรือว่าขยายขึ้นพอพอนานน้นมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะใจมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆถ้ากว้างมากๆนี้ใหญ่กว่าพระทิศพระจันทร์ถ้าถึงขีดสุดนะไม่มีขอบเขตถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีขอบเขตเลยถามว่าขอบของจิตอยู่ที่ไหนไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมา ถ้าใจเราแคบเราก็รู้นะใจเรากว้างเราก็รู้ใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายใจเราสงบใจเราฟุ้งซ่านใจสว่างใจดำอะไรเนี้ยใจมืดนะรู้เพียอย่างที่เป็นรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราวจะดูอันนี้จังนะถ้าดูกายเนี้ยจะดูทุกขังอนัตต่างง่ายดูกายดูอันนี้จังยากนะมันแก่ช้าดูยากแต่จิตนี่เปลี่ยนเร็ว ดูจิตเนี่ยดูอนี้จังง่ายก็ดูอนัตตาดูจิตนี่ยดูนิจจังการนัต่างง่ายทุกขังดูได้ไม่ได้ถ้าทรงฌานถ้าทรงฌานถ้าไม่ทรงฌานยากที่จะเห็นทุกขังของจิตทรงฌานแล้นถ้าไม่เดินมิปัสสนาในฌานต่อนะ่ะก็จะไม่เห็ น, นเพราะฉะนั้นอย่างบรรลุเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยคนที่ทรงฌานนะจะบรรลุด้วยการเห็นทุกทุกนะด้วยการเห็นทุก คนที่เจริญปัญญาไปพวกสุขาวิปัสสกา พ, พวกอะไเจริญปัญญามานี่เชนานาตาพวกที่มีวิริยะพวกอะไรพวกนี้พื้นๆธรรมดาธรรมดานี่เห็นอนิจจ์ ใ, ใจมันจะมีมุมที่ไปมองใจรักนะแล้วมันเห็นมุมเดียวนะแล้วก็ปล่อยวางไม่ใช่ต้องรู้ใจรักทั้งสามข้อนะเอาข้อเดียวนะเราเลือกได้ไหมเลือกไม่ได้ เราดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นส่วนเขาจะไปมองในมุมใดเรื่องของเขาเราเลือกไม่ได้จริงหรอกแต่ถ้ามันไม่ยอมดูเลยรู้ตัวอยู่เฉยๆคิดพิจารณาเข้าไปคิดนะพิจารณาร่างกายไว้ก่อนถ้าใจมัเฉยเนี่ยวิธีปฏิบัตินะไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่อดทนค่อยๆเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สิ่งอื่นกว่าจะได้ปริญญาใบหนึ่งเป็นกี่ปีสปีไม่จริงหรอกโกหก ไม่เรียนตอนหนึ่งหรอฮะเรียนมาตั้งแต่ตอนหนึ่งนะกว่าจะได้ปริญญาสั้นใบหนึ่งอ่ะเออเรียนตั้งกี่ปีอ่ะยี่สิบเหรอนท่านประธานว่ายี่สิบถ้าตกก็คงเยอะกว่านั้นอีกนะเท่าไหร่ปะสิบสองกสิบหกปีนะได้ปริญญาไม่ตกเลยน ะ, ะทำกรรมฐานน่ยมาทำอะไรวันสองวันนะ เรียนไปได้ปริญญาเอาไปหางานทำํำได้เงินนิดเดียวทำงานไปนะได้ประโยชน์ไม่เท่า ไ, รไหร่พอแก่จะเสื่อมไปก็ไม่มีงานจะทำภาวนานะภาวนาไปด้วยเป็นการลงทุนที่สําคัญนะมันเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองยังเข้าใจตัวเองนะอยู่จนแก่นะมันก็ยังได้รับประโยชน์ได้รับความสุขนะเกิดชาตินี้ไม่จบนะชาติหน้าภาวนา ง, ง่าย ได้รับความสุขได้รับประโยชน์มากประจบปลิญญาอีกนะเพราะอย่างพระเจ้าท่านบอกเลยโซดาปฏิมาคเนี่ยถ้าเราได้โซดาปฏิมาคเนีประเสริญยิ่งกว่าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกเพราะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่ยังเปลี่ยนตายเปลี่ยนเกิดไม่รู้จักจบแต่ได้โซดาบัลเนี่ยไม่เกิดเจดชาติจะจบจะได้ของดีของวิเศษคือได้อะไรได้นิพพานนะเข้าเป็นสัมผัสกับนิพพานเราจะพ้นจากทุกสิ้นเชิงนะถ้าเราพ้นไปแล้วยังมีชีวิตอยู่เรียกว่าเป็นธาตรหันอยู่นะ ชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์ทางใจอีกแล้วใจชดสว่างแจม่มใสไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอีกเลยสบายอย่างร่างกายเนี่ยยังทุกข์อยู่ยังต้องอับน้ำํำหิวหนาวร้อนเลยนี่ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่มีแต่ทางใจเนี่ยจะไม่มีก็ะจะดารงชีวิตไปเด้วยจนมาที่สิ้นขันนะร่างกายก็แตกไปนะขันดับไปดัง น, นั้นไม่มีความทุกข์เหลืออีกต่อไปไม่มีเชื้อเลือ นี่เป็นความสุขที่มหาศาลนะความสุขอันนี้เราจะสัมผัสได้เป็นลําดับลําดับไปเราจะเข้าใกล้เขนิพพานเข้าไ ป, ไปาเรื่อยๆการที่เราภานาคนไม่เคยทําทานทําทานได้ก็ใกล้นิพพานเข้าไปคนไม่เคยรักษาศีลรักษาได้ก็ใกล้นิพพานเข้าไปคนไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อะกับตัวมาอยู่ได้นะก็ใกล้เข้าไปอีกคนที่แยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นแยกได้เราเห็นธาตุขานแสดงใจเราได้นี่ใกล้มากเลยแล้วใกล้แล้วก็ต่อไปก็ทําบ่อยๆ บุญวาสนาบารมีเต็มนะอริยามรัคจะเกิดเวลาที่อริยามรัคจะเกิดไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดไม่ใช่ว่าจเจริญสติสมาธิปัญญาดีแล้วเกิดนะยังไม่พอหรอกต้องสะสมมันจะมีมคล้ายๆเป็นพลังของจิตนะจิตจะค่อยมีพลังมากขึ้นมากขึ้นนะอย่างพวกเราพอนานเราจะรู้สึกไหมเราเข้มแข็งมากขึ้นเลยได้ใจมันเข้มแข็งมันห้าวหาญมันเด่นเดียวมากขึ้นมากขึ้น่นนะเมื่อมันเป็นบารมีของเรานะัมันกล้าจะทิ้ง ลกทิ้งสงสารทั้งหลายนะเพื่อธรรมะกล้าทิ้งร่างกายทิ้งจิตใจในะเพื่อธรรมะได้ตรงนั้นอาจจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เลยนะั่นบารมีเต็มที่แต่ขั้นโสดาบไม่ต้องถึงขนาดนันนะ้นหรอกเราสะสมของเราไปได้วยพลังของจิตมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็สติสมาธิปัญญามันแก่รอบแล้วพลังมันมากพอเนี่ยอริยมรคมันจะเกิดอย่างถ้าเราพาณาถูกเป๊ะเลยนะแต่ทำท ำ, ทำแล้วหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดพลังไม่เกิด ไม่มีพลังมวลรวมนี่ไม่มีนะเฉะนั้นไม่เกิดหรอกอริยมรรคงั้นเวลาที่เราภาวนานะอย่าหยุดอย่าเฉยทําทุกวันแต่อย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนอย่าไปบีบเค้นตัวเองอย่าไปบังคับตัวเองให้เคร่งเครียดภาวนาไปสบายสบายถือศีลห้านะแล้วก็ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไปรู้ทันจิตที่หนีไปจิตนี้ไปแล้วรู้ไม่ใช่ฝึกให้จิตสงบแต่ฝึกให้รู้ทันว่าจิตไม่สงบ ให้รู้ท่านจิตมันหนีไปมันไม่สงบแค่นั้นแหละจิตก็จะสงบของจิตเองโดยที่ไม่ได้บังคับพมือจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วถนัดดูกายก็ดูไปเห็นร่างกายมีแต่ทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเห็นร่างกายเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาหรือถนะดูจิตก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตจะไปดูจิตจะไปฟังจิตไปดมกลิ่นจิตไปริมรสจิตไปรู้สัมผัสทางกายจิตไปคิดทางใจ จิตทุกชนิดเกิดระดับทั้งสิ้นนี้เรีเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเองสั่งไม่ได้เองจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านสั่งไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์นะสั่งไม่ได้นะจิตจะโกรธหรือไม่โกรธจิตจะโลภหรือไม่โลภจิตจะหลงหรือไม่หลงจิตจะสงบจะฟุ้งซ่านจะหดหูสั่งไม่ได้สักอย่างอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตาหาดูไปเรื่อยๆนะเรไปจิตจะฉลาดฉลาดสะสมปัญญาไปเรื่อยๆ สศีลสมาธิปัญญาแก่กล้ามันเกิดเป็นพลังรวมขึ้นมามันรวมเป็นพลังงานยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรียกข้ามโคดเรียกคำว่าโคดนะตอนนี้เรามีโคดอยู่โคดหนึงโคดปุถุชนจะข้ามโคตดเรียกยานข้ามโคดมีโคตรปูยานข้ามโคดข้ามไปสู่โคดของพระดิยัตเราจะมีตระกูลใหม่นะเราจะรู้เลยว่าพ่อแม่ของเราตัวจริงคือใครพี่น้องของเราจริงๆคือใคร ถ้าสูงสุดพ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจ้ารองลงมาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราในวัตตะนี้ก็คือคนที่สอนเราให้ได้โสดาบันคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราเป็นพี่เราเนี่ยคือท่านที่สอนเราจนกระทั่งบรรลุพระอรหันต์ท่านเหล่านี้คือพี่นะเห็นไหมเป็นโสดาสอนให้เราได้โสดาได้เป็นพ่อนะเป็นพ่อเป็นแม่นะแต่สอนให้ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยได้เป็นพี่ต่างกวากันนะ เรานึกว่าสอนเป็นพระอรหันต์สำคัญกว่าพระเจ้าไม่ได้ยกอย่างนั้นพระเจ้าท่านยกพระโมคคัลลาสารีบุตรนะเป็นอัครสาวกภาษาบุตรเนี่ยไม่ได้มีฤทธิ์เท่าพระโมคคัลลาแต่ภาษาบุตรฉลาดมากภาษาบุตรสามารถสอนคนให้เป็นโสดาบันได้เยอนที่สุดนะสอนคนได้เป็นพระโสดาบันได้มากเลยในขณะที่พระโมคคัลลานะสอนพระโสดาบันให้เป็นพระอราหารันต์ได้มากก็มีฤทธิ์เยอดักหน้าดักกลังตกซ้ายตกขวาล จิตใจซึกแซกไงรู้ทันหมดเลยหนีไปไหนไม่รอดเลยเนี่ยคุณท่าเจ้าแบบยกย่องภาษาดีบุตรนะว้าเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเหมือนพระโมคคัลลาเหมือนพี่น่ะเหมือนพี่ชายเนี่ยถ้าเราลดพาวนาไปนะต่อไปเราก็มีน้องด้วยพวกมาที่หลังเราเป็นน้องนะมันเป็นครอบครัวอบอุ่นนะอบอุ่นยี่งกว่าครอบครัวเออเอนี่วันนี้หลวงพ่อจะบอกท่านกระถางเลยที่ได้ดูเป็นครอบครัวอบอุ่นนะอยู่กันอบอุ่นนะดูเลย แต่ถ้าได้ธรรมนะแล้วมันจะมีครอบครัวอบูนยิ่งกว่านี้อนะีกครอบครัวเอเราอยู่กันชั่วคราวไม่นานเราก็แยกย้าย ก, กันไปไปไหนไปตามยถา ก, กรรมนะถึงเวลาเราก็แยกย้ายไปอยู่ชั่วคราวแต่ครอบครัวของพุทธเจ้านะท้่เราเข้าถึงแล้วเราไม่ไปไหนแล้วเราเจอบ้านที่แท้จริงของเรานั้นใค่อฝึกนะของดีของวิเศษมีอยู่ในพระพุทธศาสนานีที่อื่นไม่มีอย่าให้เสียชาติเกิดต่อไป ค่อ ย, ยฝึกของเราไปทุกวันนี้ศาสนาจะอยู่รอดนานแค่ไหนหลวงพ่ไม่มีความมั่นใจสักนิดเลยสิ่งแปลกปลอมเจือปนนั้นมากมายเหลือเกินแระทั่งคนที่ว่าดลังศาสนาอยากปฏิรูปศาสนาบางทีก็เพี้ยนๆออกไปนะผิดกันคนละนิดคนละหน่อยรวมๆแล้วเลยผิดเกือบหมดแล้วผิดกันคนละข้อสองข้อนะรวมๆแล้วผิดเกือบหมดแล้วงั้นเราเอาหของเรานะมันหนไป อ่ะวันนี้เท่ตอนนี้ก็พอสมควร ก, การนรัสกาหลวงพ่อค่ะก็คือว่ารู้สึกว่าการภาวนาตอนเนี้ยมันมันวนเป็นลูกมันเหมือนเดิมมันก็จะเกรงอย่างที่หลวงพ่อทักเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวสักคากจะคลายแล้วเดี๋ยวก็จะปฏิบัติเข้มข้นเข้มข้นแล้วเดี๋ยวสักคากจะหย่่งยานแล้วก็จะแยกแล้วก็จะดีแล้วก็จะแยแ ก, แกแย อ, ยอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจวัดตัวเองการภาวนานะดีแล้วแยกเนี่ยดี แต่การภาวนาเนี่ยเข้มข้นแล้วผ่อนคลายหย่อนหยางเนี่ยไม่ดีทําให้สม่ําเสมอไม่ต้องเข้มมากทําสม่ําเสมอนะแต่ต้องสม่ําเสมอถ้าเราเข้มแล้วเรจเริญแล้วต่อมาเราหย่อนเราเสื่อมเนี่ยเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์จริงเราจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราทําต่อเนื่องเราก็ทําได้เนี่ยที่มันแย่ลงเพราะเราไม่ทําต้องทําสม่ําเสมอนะม่าจะเห็นว่ามันจเจริญขึ้น อยู่ๆเนี่ยมันเสื่อมต่อหน้าต่อตาทั้งๆ ท, ท, ที่ทํานั่นแหละมันจะรู้สึกกูไม่เก่งเลยกูทําไม่ได้นะเนี่คยค่อยๆฝึกนะต้องสม่ําเสมอนะทําเป็นบุบๆไม่ได้นะคือบางทีก็รูสุกว่าพยายามทําอยู่แต่ว่าการทันทีที่พยายามทำเนี่ยเป็นคว<อ>ามพยายามมันโลภเราไปใช้คำเพราะว่าพยายามจริงๆโลภนะเราเปลี่ยนคำซะอุ้ยโลภอีกแล้วนะโน้ภาวนาเนี่ยอยวไปคิดมากมันไม่ยากอะไรหรอก <รอ S 2> ใจเราสุขเราก็รู้ใจเราทุกเราก็รู้ใจเฉยๆก็รู้ะใจมันรอบก็รู้ใจมันไม่รอบก็รู้นะโกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้รู้เท่านี้แหละไม่ต้องรู้อะไรมากหรอกนะสุขทุกครู้จักไหมอ๋อใ่รื่อสุขขึ้นมาก็ก็มันสุขแล้วก็จะเห็นนั้นสุขชั่วคราวใชม่มันทุกข์แล้วเออรู้ไปไม่ต้องไปแก้นะอก็จะเห็นนีมันทุกข์ชั่วคราวถ้าไปแก้เดี๋ยวกูอย่างอีกแล้วนะ เนื้อสงบขึ้นมานะก็กูเก่งฟงซ่านนะกูรีพุทโธพุโทโธเพาสงบนี้ยกูเก่งหนักกว่าเต่าอีกนะแต่ที่ต่าหนาแล้วไม่มีกูนะอมันไม่ยากหรอกง่ายง่ายจนยากมันยากเพราะเราคิดว่ามันจะต้องทำเมน้ น, นอันนี้ที่จริงคือรู้อย่างที่เป็นจะไปากอะไรนักธรมศาสการคับหลวงพ่พอเลวงพอครับคือตอนนั้นผมไปทําสังฆทานนะครับ อืมแต่จริงๆคือต้องใจรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากทํำเฉยๆเสร็จแล้วคันนี้ไปเจอพระเสร็จแล้วใจผมก็ไปปรามถนา ท, ท่านเพราะว่าท่นชวนคุยเรื่องโลกๆแบบออย่างนี้นี่ผมอยู่บ้านดีกว่าบ่ะไม่รู้เหมือนกันก็คือคือมันเป็นอาคุณนะผมเลยคิดว่าอยู่บ้านนี่ไม่มีอกุศลเลยเหรออยู่บ้านเราเภาวนาะไปเรื่อยคือเราไม่ได้ไปทําให้ใครเป็นอาคุณนะท่านจิตตัวเองเราอยู่ตรงไหนก็้าวนานะ ครับแล้วเราจะอยู่แต่ในบ้านเราอย่างเดียวไม่ได้ออกนอกบ้านด้วยคือผมรู้สึกไปปรามาดพระจะบาปกับปลมาดคนธรรมดาพระหนังนะนะพระสมมุตินะจริงๆใช่พระสมมุติปรามาดนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าปรามาดแล้วเนี่ยให้รู้ทันว่าใจเราปรามาครับตรงที่เราไปปรามาดคนอื่นนะอย่าว่าแต่ปรามาดพระเลยปรามาดหมาปรามาดแมวนะมันก็อารกิเลสทั้นั้นแหละมันก็บาปทั้งนั้นแหละ แต่พอปรามาสไปแล้วตรงนั้นบาปแต่ตรงที่เรารู้ทันว่าใจไปปรามาสเขาตรงนี้เป็นบุญนะงั้นบุญกับบาปเนี่ยหลวงพ่อตอบไม่ถูกเลยอันไหนใหญ่กว่ากันอย่างเราไปทําสังฆทานเห็นพระหลวยถ้วยนะใจเราปรามาสหรือใจเราโกรธใจเราเกลียดเรารู้ทันว่าโกรธรู้ทันว่าเกลียดตรงนี้ได้คะแนนเดยอะนะตรงที่ปรามาส่ะเราเจตนาปรามาสไหมคือจิตปรามาสเองจิตมันอ๋อเองเออนั่นะเป็นบาปเล็กน้อยมากเขาเรียกกระตั้งตากรรม เป็นกรรมเล็กน้อยเพราะไม่มีเจตนาแต่ถ้าเราเจตนาประมาทนี่ก็บาปแรงขึ้นนะถ้าขวนขวายที่จะปราโมทก็ยิ่งแรงกว่าเก่าอีกอถ้าอยู่ๆมันก็แวบเดี๋ยวว่าแต่ปราโมทถ้รับสังฆทานเลยหลวงพอไม่ได้รับไม่ยังปราโมทเลยเนี่ยนั่งๆเมื่อไหร่จะจบสักทีฟังอะไรไม่รู้เรื่องนี่ก็ปราโมทเหมือนกันนะแต่ว่าอะไรจิตมันเป็นเองไม่ได้เจตนา เจตนาอยากฟังเทศในใจมันอยากจะไปเที่ยวนะก็เลยรําคาบเมื่อไหร่จบสักทีเราห้ามไม่ได้กรรมเนี่ยนะถ้าไม่ไม่มีตัวเจตนาเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่อ่อนมากเลยเรียกว่าตัดตากรรมเล็กน้อยถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วตัวนี้ถึงจะให้ผลนะนั่นเป็นกรรมอันดับสุดท้ายที่จะให้ผลเลยก็เพราะว่าเ ร, รู ก, กรรมเนี่ยนี่ให้ผลแรงให้ผลก่อนยังมีสมัยโบราณนะมี ในพรานคนหนึ่งอ่ะเขาเดินในป่าเขาเห็นพระเดินมาพระเนี่ยเห็นในพรานถือหอกพรานี้กลัวว่าเดี๋ยวไอ้พรานนี้ไม่รู้อันตรพันธ์หรีอว่าหอกเสียบออกพระนี้ท่านก็เลยหลบเข้าไปอยู่หลังพุ่มไม้ในพรานเดินมานะเนี่เมื่อกี้เห็นพระพระหลบพระหายไปไหนสงสัยพระกลัวว่าเราถือหอกได้เอาหอกพุ่งเข้ไปในต้นไม้น่ะโอ้ไปเสียมพระไม่เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อย กรรมเล็กน้อยแต่ว่าพรนเนี่ยเคยทํากรรมเหมือนกันนะเคยเย็บผ้าเย็บผ้านะแล้วก็ไปถูกตัวเด่นในผ้าตายถ้าไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยนะในถูกในพรานเสียบโดยไม่เจตนาก็นะาไม่มีตัวอื่นให้ผลแล้วตัวนี้ถึงจะให้เพราะถูกได้เลยนะครับเจอให้รบกวนตรวจกันบ้านกีน่นายตรวจมาตั้งแต่เริ่มได้ยังไม่รู้เลย สังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดู อ, อกเปล่าก็เห็นเป็นบางทีครับบางทีก็รู้สึกจิตมันทไมมันเหนื่อยงเลยครับคิดไม่หยุดสักทีไม่หยุดหรอกจิตมีหน้าที่คิดครับวิธีที่จะทำให้มันพักนะก็คือทำสมถะนะแทนที่จะให้คิดเรื่อยเปื่อยก็ให้มันมาคิดพุดโตพุโตไปขอบคุณครับใช้ได้นะในภาพรวมของการภาวนาะขันแยกแล้วใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่น นวัต ก, กรรมค่ะหลวงพ่นเต้นไหมเออตื่นเต้นแล้วทำยังไงจะาไปรบมันรู้อย่างนั้นรู้อย่างที่มันเป็นหลวงพ่อค่ะอะ่เมื่อเจ็ดเนกับนะคะหลวงพ่อมาับบานบแ่้านหลวงพ่อบอกว่าจิตก็ถูกแล้วก็ให้ดูดูจิตมีอะไรก็ดูถ้าดูจิตแล้วว่างๆให้มาดูกาอนีอ่หนู ไ, ไปทาแล้วก็เหมือนกับ ก็เห็นบางอย่างก็เห็นชัดขึ้นค่ะแต่จะถามลงพ่อว่าหลูงเป็นประเภทจิตมันรู้ตัวแล้วอยู่เฉยๆหรือมันเดินปัญญาได้แล้วค่ะต้องช่วยอะไรต้องช่วยอะไจิตมันยังถ้ามันไม่ไปติดเพ่งไว้นะมันก็ฟุ้งมันยังเบี่ยงสองส่วนนี้เยอะอยู่งั้นมันเพ่งก็ให้รู้ทันมันฟุ้งก็ให้รู้ทันนะแล้วเสร็จแล้วแต่มก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาสบายๆ จากนั้นเดินปัญญาต่อเลยเฮ้เวลาจะคิดมันก็คิดได้เองฟุ้งซ่านได้เองดูออกไหมเห็นไหมนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่าเดินปัญญานะมันฟุ้งซ่านได้เองแต่แต่วันมันไม่ได้เห็นที่หลวงพ่อต้องเห็นไตรลักมันต้องเห็นตามจรก็เหมือนนี่คิดคิดอะไรหรือเปล่ายังคิดเอาอยู่แต่อย่ากังวลนะอย่ากังวลทําไปอย่าที่บอกเลยะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปร่วมเอาไว้ก็รู้รู้ทันอย่างที่มันเป็น สุดท้าเราก็เห็นมนใจนี้เปลี่ยนแปลงตลอดนะแล้วก็เป็นของมันเองไม่ได้เจตนาจะมาบังคับไว้เลยมันก็บังคับของมันเองไม่ได้เจตนาจะหลงมันก็หลงของมันเองดูอย่างนี้บ่อยๆแต่รูปนี่หนึูไม่เป็นที่หลวงพ่บอกว่ารูปหนูไม่เป็นรู้สึกไหมจิตทื่อๆขึ้นมานะขนาดนี้หลวงพ่อทำหน้าให้ดู นี่วัวล้อก็ต้องกันน้อยนี่มันจะทื่อๆ อ, อยู่มันหลวงพ่อเคยบอกว่ามันเหมือนกับมันเท่งมันชิ่งใช่ๆช่มันเท่งมั น, มนชิงใช่เออทำใจสบายสิลืมเรื่องปฏิบัติไปร้องเพลงเป็นไหมเคยร้องเพลงไหมเอาร้องสักเพลงสิ <laughs> จิตตรงนี้ดีรู้สึกไหมมันไม่เหมือนตะกี้ ตรงนี้แหละไม่ได้เพ่งแต่มันแบบดีดาดีดาดีดาให้มันดีดาไม่ต้องดีก็ได้บอกแล้วตัวอีนี่ดีดาไป <c oughs> เห็นไหมมันดีดาได้เองนั่นแหละดีส่วนจิตเรียบร้อยเนะี่ยมันแกล้งเรียบร้อยนะตัวจริงมันดีดาไอ้ดีดานะ่ตัวจริงแน่ยทำเป็นเรียบร้อยงั้นปล่อยให้ตัวจริงมันทำงานนะเองแต่ว่าไม่ให้ผิดศี่ห้าเท่านั้ น, น ไอ้ที่ดนีมันไม่ใช่แว่าหอมา ห, าหอมันเป็นเรากดไปนานนิสัยเราอะจริงๆเป็นอย่างนั้นเล <ๆ S 2> ปล่อยมันเออต้องอย่างนี้นะแต่อย่างนี้แหละรู้สึกไหมมันโล่งเลยมนจะแม่งอยู่นมันล่่ะแต่มันก็ไม่เห็นมันก็รู้สึกว่ามันกดไว้นิดนึงแล้วมันจะเห็นแบบเกิดระดับหรือเปลี่ยนแปลงได้นิดนึงแต่ม่หนมันไม่ได้ไม่ได้เห็นจริงนะ ใจเนี่ยมันไม่มีคุณภาพใจที่กดอยู่เนี่ยมไม่มีคุณภาพเวลาที่เรากดอยู่เนี่ยเราเห็นทุกอย่างเกิดดับยกเว้นจิตจิตจะเทียเท่ยงนะคงที่อยู่ น, นะเนีย่ยถ้าแตนนะนิดหนึ่งก็นิดหนึ่งถ้ามากหน่อยโ้อยหลวงพ่อทาเป็นนะ <c oughs> ไอ้ที่ผิดจิตล้ะทํามาแล้วเท่านั้นนะปล่อยมันปล่อยมันแล้วรู้อย่างที่มันเป็นหเห็นมันดีดได้เองอ ย, อย่างนี้ต่อไป เขา อ, อีกออเพิ่มเติมวที่หลวงพ่อแค่คนที่เขาเข้าฌานได้เขาจะดูได้นานเงี้ยค่ะไม่ใช่ดูได้นานถ้าเข้าฌานแล้วเวลาออกจากฌานเนี่ยตัวรู้มันตั้งมั่นอยู่นานส่วนจะดูจะเจริญปัญญาหรือเปล่าไม่แน่นะในพวกที่รู้ตัวทื่อๆอยู่นี้มีนะเยอะด้วยเขาหนูอยากไปห่วงเรื่องฌานนะเ่่ยไไมด้ทําไม่ได้ชาตินี้ไม่เข้านะมไม่เข้าหรอก เราทำที่เราทำได้นะไม่ใช่ทุกคนต้องเข้าฌานนะหลว่อเม่เราเราปฏิบัติแล้วเราบอกว่าเออเให้ขาแม่เยนะโอ้ท่านที่มีชีิตอยู่เองยังอยู่ไหมอยู่เออยังอยู่ต้องไปบอกเองต้องยังเขาจะไม่ได้รับเขไม่ได้รับส่วนบุญนะไม่ใช่สัตว์ทุกตัวรับส่วนบุญได้นะคนเนี้ยรับไม่ได้เขาต้องอนุโมทนาเอานะพวกเทพไม่รับ สั้ออโมทนาเอาไม่ใช่เปลนเนี่ยหมาแมวไม่รับไม่รู้เรื่องหรือเขาตายไปแล้ ว, ลวเราก็ปวดน้ําอยู่ตัวนี้เขาไปเกิดเป็นคนหนึ่งเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่ได้แช่มชื่นด้วยต้องไปบอกนะนรัศ ก, กาลของพ่อค่ะส่งกัน บ, บ้างในรอบปีหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ที่ปฏิบัติค่ะก็จะรู้สึกตัวรู้ทันจิตอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะเลยเลยค่ะแล้วก็ ทุกวันนี้ที่หนูเห็นหนูก็จะรู้สึกว่าปัจจุบันสั้นนิดนึงแล้วก็อดีตมีก็เหมือนไม่ค่อยมีอนาคตหนูก็ไม่มีหนูก็ไม่รู้หนูเป็นตัวอะไรไม่มีตัวใช่คือเหมือนกับปัจจุบันจะไม่มีตัวหรอกปัจจุบันคือเห็นตัวก็เหมือนก็ไม่ใช่ตัวเองคืออย่างอย่างเงี้ยก็คือจะเห็นแบบว่ามีตัวอะไรนั่งผู้อยู่ซึ่งก็ไม่รู้ตัวอะไรค่ะแต่ตัวเนี้ยอย่างรวบจิตอยู่รู้สึกไหมค่ะก็คือมันจะแอบไกลนิดนึงเพราะว่าคุยกับหลวงพ่อที่แหล่งหลวงพ่อบอกแล้ว หนูพ่อมองใครก็เก่งหมดเลยค่ะปกะติก็จะหลๆอะไรไปบ้างนะอันนี้ก็คือแอปตื่นเต้นอะไรแอปไปนิดนึ ง, ง, งค่ะแล้วก็ไม่พอเมื่อกี้ที่พูดถึงเรืฌานว่าอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงหนูทำมิปัสนาหรือเปล่าค่ะทำทำไปทําอีกไปทำถูกแล้วล่ึก็คือให้ดูเปลี่ยนแปลงขององค์ฌานไปเรื่อยใช่ไหมคะข้าวฌานหรือหนูข้าวซิตื่นเต้นตื่นลองข้าวฌ า, านดูมีว่าสีไหม ยังไม่เป็นวัตถีเท่าไหรค่คับเพราะว่าติดในอูรมุปกับแต่ว่าเ<ม>พิ่งจะหลุดจากอารปมปมาได้อารมปอย่าไปเอาเสียเวลาเกิดลาดพลั้งนะไม่จบนะเพระพระเมตไตรมาตรสรู้เราก็ไม่ได้ฟังธรรมค่ะเพิ่งจะหลุดออกจากอารมุปเพิ่งจะกลับมาเป็นรูปได้เฉยๆดีแล้วแล้วก็ดูที<ม>่ อ, อยู่ข้างนอกเงี้ยดูธาตุขันมันทํางานไปเรื่อยๆนะมันทำงานไปเขนะาพึ่งหนุ่อมาก็ เป็นมัทจริตนะครับก็คือมีแล้วก็เพ่งแล้วก็มีเพ่งสอดไปครับแต่ก็เอได้เห็นว่าเมื่อก่อนใจร้อนมากครับก็จะเอาใจเอาได้ครับแล้วก็พอหลังๆก็เริ่มมีวินัยสม่ำเสมอขึ้นนะครับอย่างที่หลวงพ่อสอนก็คือในขณะที่ทําอยู่ก็ก็เสือมให้เห็นเลยนะครับเมื่อวานยังเห็นทีๆอยู่เลยวันนี้ดูยังไงก็ไม่เห็นอือครับถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกาย ก็เห็นร่างกายมันพูดเห็นร่างกายไปยักหน้าดูสบายๆใจเพลงมันดูไปช่วงที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศก็ก็ลวกจิตแล้วก็เข็นพอสมควรครับตบจังหวะที่หลวงพ่อหันมาชี้ครับแดอกอะไรครับเลยเห็นว่าติ่ดเพ่งมาช่วงนี้ติดมาสองสมวันแล้วครับภาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาได้ดีทําถูกครับทําเพิ่ง น, นี้ครับช่วงที่ไปไปิดบริเวณอยู่วัดห้าวันนะครับเ อ, อตอนวันท้ายๆครับมัน เข้าใจว่าเป็นอาการที่เป็นจิตตั้งมั่นนะครับคือมันไม่เคยมีตัวแยกออกมาตัวดูตัวนึงกับเห็นเห็นการเกิดดับได้อย่างที่ไม่เคยเป็นก่อนในชีวิตการปฏิบัติเลยครับนั่นแหละถูกแต่ว่าต้องระวังนหนึ่งอย่าให้ตัวรู้เที่ยงระวังตัวนี้นะบางทีถ้าตัวรู้เนี่ยเราสติเราแรงเกินไปนะตั้งรู้สึกตลอดเลยกลายเป็นว่าของอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวรู้เที่ยงต้ระวังอันนี้ย ฝึกอย่างนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่าพอกลับมาแล้วไม่เคยไม่เคยตั้งมัง่นอย่างคนั้นอีกเลยโลอกสิเวลาสภาวะเกิดนะเกิดแล้วก็แล้วมันไปถ้าเราอยากให้เกิดไม่เกิดหรอมันจะไปเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจหลวงพมีคำแนะนําไดๆเพิ่มเติมสมาธิมันเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจนะมีศาสนาเกิดตอนที่ไม่ได้จิดรู้อย่างที่เป็น งั้นถ้าเราจงใจเนี่ยไม่เป็นแต่ว่ามันไม่มีความชนานาญของจิตเวลาที่เราจะเข้าสมาธินะั้นเราไม่ได้จงใจเราแค่มานักสิการแค่ระรึกแค่ใส่ใจนิดหน่อยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างใส่ใจนิดหน่อยจิตก็รวมเลยแม้นะจะอยู่ที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจมันจะไม่เป็น แต่ว่าตอนตอนที่เราภาวนาแล้วเราไปเจอของดีของพิเศษเนี่ยมันอดจงใจไม่ได้มันจะต้องจงใจไปอีกช่วงหนึ่งนะถ้ามันไม่ได้ก็พยายามทําไปเรื่อยแล้วถึงจุดที่มันหมดความจงแจงเนี่ยทําได้ไปทําต่อไปแล้วบางอันนึงตั้งกูเก่งนะะต่อไปมันจะการขนมพ่อพอภาวนามาถึงตรงนี้ยต่อไปบางทีมันขึ้นมากูเก่งกว่าคนอื่นนะ นัน ส, สก้ครับก็ข อ, อยาส่งการมาในนามที่หนองปอ่บอกว่าติดไม่ถึงฐานก็เลยกลับไปคิดว่าน่าจะตอ้องฝึกสมาธิเพิ่ขึ้นเราเวลาฝึกสมาธิไปเหกับมันสมาธิเหมันนไม่แน่ใจเ ม, มันดิๆๆกันาบบดิ้ตัวเองก็ไม่ดุกแล้วก็จะยังรู้สึกตัวอยู่ไหมรู้สึกถ้ายัางมีความรู้สึกตัวอยู่ใช้ได้นะแต่ว่ารู้สึกได้ผ่อนลงนั่นแหละนั่นแหละผ่อนลงไปเกือบกับจะไม่รู้สึกเลย แต่ร่างกายไม่มีมีร่างกายไห ม, อมเออไม่มีตอนนั้นร่างกายก็ไม่มีนะโลกนี้ก็หายไปความรู้สึกกลัวก็เหลือ น, นิดเดียวนะจิตมันรวมเข้าไปลึกเลยที่ทำถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วล่ะแต่ว่าพอออกมานะก็เห็นร่างกายมันทานํางานเหนะ็นจิตใจทํางานไปด้วยนะเงินหยวสงบอยู่เฉยๆเสียเวลาครกำลังติดสมาธิสงบสบายสบายให้เดินปัญญาไปด้วย ตอนนี้จิตอ่านถึงถึงแต่ว่าไม่เต็มร้อยนะกรจะจายออกนอกนี้หน่อยออกไหมมันรู้สึกว่ามันมีตัวพุงเออเท่<ม>นั้นแหละมันเหมือ น, น, นเออมันออกข้างนอกไปนิดเดียวให้รู้เฉยเฉยไม่บังคับแล้วก็ขอทานคัญเหมือนกับภาวนาไปแล้วถึงหึือมันเพิ่งเป็นก็เลยมีโดนที่ซัดแบบทำอะไรไม่ถูกเอยอร่อนะแบบเหมือนทำอะไรไม่ถูก คือสัตว์แบบเป็นหนากระดามันไม่มีแรงภาวนาะเอาไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงแล<ม>้วบว่าช่วงนั้นกิเลสเข้าแทรกด้วยครับก็ อ, อย่ายอมสินะไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงกิเลสมารู้ว่ามีใจไม่ชอบใช่รับอยู่ตรงนี้นะเวลาที่สภาวะแย่ๆเกิดขึ้นแล้วใจไม่ชอบเนี่ยถ้ารู้ได้ว่าใจไม่ชอบนะมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติเลยแล้วมันจะเกิดพลังขึ้นมาเลยจะมีแรงทันทีเลย เหมือนแบบรู้แต่ว่ามันไม่มีแรงดูให้ดูลงไปว่าใจไม่ชอบถ้าเห็นตัวนี้ปุ๊บน้ําแรงเกิดเลยง่ายไม่ยากเกรื่องของหลวงพมีแต่คําว่าง่ายแต่ทําไม่ได้สักทีหลวงพ่อมีคําแนะนำํ <c oughs> ำไปทําอีกนะคําว่าดีกว่เก่ามากเลยใช่ได้ในพิธดกสการหลวงพ่อคือจะส่งครัวมาก <c oughs> ตื่นเต้นเออห้ามาคือบอกว่าเอ่อฟังหลวงพ่อไปได้เดือนหนึ่งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไปปฏิบัติก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างเรื่องความโกรธก็ดีขึ้นมองเห็นได้เร็วขึ้นก็หยู่ได้เร็วครัเวลาดีไม่ดีนะอยู่ที่ว่ารู้หรือไม่รู้นะไม่ใช่ภาวนานแล้วไม่โกรธเลยแล้วว่าดีไม่ใช่ดีนะเย่างนค่ะภาวนานดีก็คือโกรธแล้วรู้เร็วโรบเรารู้เร็วก็ ก็ S <S <an> มีอยู่ช่วงหนึ่งคือรู้สึกว่าคเครียดเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรก็ห้ามไม่หมดรู้สึกเหมือนตัวเองเครียดจิตเครียดก็เลยตามใจจิตเองพ่อบอกว่าอ่ะก็ตามใจจิตบ้างชอบอะไรก็ไปทำอย่างนั้นอืมก็ดูอยางให้ผิดศีลเท่านั้นแหละค่ะดูหนังแล้วก็หาอะไรอร่อยกินแต่คราวนี้ตามใจจิตมากไปหน่อยก็เล่นโลงอืพาหันกับไมค์ีก็คือของกินเต็มตู้เย็นมากมเริ่มมีบ้าละเรารู้สึกเครียดอีกแล้วเลย ยังดีเครียดมีกินบางค น, นเครียดเพราะไม่มีจะกินก็เลยว่ารู้สึกตัวเองว่าอ๋อนี่การการที่เราหลงแบบว่าใช่ใจจิตมากเกินไปมันลงนานไปผ่ <c oughs> อนแล้วก็ผ่อนปเดี๋ยวกระดาว <c oughs> ไ, มไม่ใช่ผ่อนกันทิงเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะบางทีแบบจิตมันแบบว่าเหมือนมีกิ เ, เลสแล้วก็โลภขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะไอ้ต่านถูกกิเลสลากแล้วคอย่างหลวงพ่อผ่อนเนี่ยทํางานมาเหนื่อยเหน่อยนะเครียดเครียดนอะ ซื้อการ์ตูนเด็กอะนะมาอ่านต้องการ์ตูนเด็กนะห้ามอานการ์ตูนผู้ใหญ่ไมอาการ์ตูนเด็กนะหัวละนิดนิดหน่อยหน่อยใจก็คลายและก็คลายแล้วก็พอนาตอนละไม่ใช่ซื้อการ์ตูนมาถีงตั้งแค่นี้เหมือนซื้อของมาใส่ตู้เย็นตอนนี้ก็รู้สึกว่าเอาแล้วเริ่มเป็นหาวละละมองเห็นแล้วจะทําไงจะเคียรนมีอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆจะทำคือ่บบไปทำไง คิดดีขึ้นแล้วลนะ่ะการบำบัดการต่างๆดีเคยเมื่อหลายปีก่อนผมบอกว่าเป็นคนที่จิตเพ่งจ้าค่าจิเพ่งลงหมหายใ จ, จ้าค่ะแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพ่งยังไงกับว่ารู้สึหในใจมันคลายออกมันสบายขึ้นเจ้าควาแต่แต่ว่าไม่ไม่มีอะไรเครียดเรียน แ, แต่ว่ามันเพ่งมันเพ่งตลอดเวลาจนไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้จะทํารูปแบบยังไงว่มีมีความรู้สึกว่าพอ พอมันเพ่งปุ๊บมันจะจับเข้าไปแล้วก็ไปเป็นนิมิตของภาพอย่างภาพเขาจะรูปหรืออะอย่างนี้เพรไม่เลยนะใแทนที่จะปล่อยให้มันเพ่งนะให้มาคิดพิจารณาร่างกายนะแยกผมกับเล่นปันหนังเลยกระดู ก, ก็เป็นส่วนๆแยกไปเรื่อยๆนะแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้แล้วก็แยกมันไปเรื่อยๆนะมันจะได้ไม่ไปติดเพ่งนี่อยู่ข้งไหนแ ล, แล้วเวลาที่เรารู้สึกว่าเพง่งแล้วเราก็ เคลื่อนจิตมาดูที่ร่างกายจิ้มเคลื่อนไวอย่างงี้ก็คือเราเราเปลี่ยนจิตเลยใช่เล้ตัวนั้นผิดเราไม่เอาละเอาไหมเอาไหมก็จิ้มิงไปเลยพิงไปเลยอย่าเสียดายแต่ว่ามันก็คือติดแพ่งอย่างหุนแรงเอยมาดูไกลผมคนเล็บฝันหนังเอ็นกระดูกแต่ละส่วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเลยก็ว่าไปสอนสอนมันไปเลยจิ้จะเคลื่อนออกแล้วไอ้ที่สมัยก่อนที่เคย เผยเป้งแล้วขนก็จิตมันเป็นดวงออกมาข้างนอกมีความสุขไปหลายหลยวันนี่อย่างนั้นถือว่าแยกกายแยกจิตไม่ใช่ไม่ใช่แยกกายแยกจิตไม่ต้องถอดออกไปอย่างนั้นเห็นไหมตัวอะไรไปยักหน้าอยู่เนี่ยร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคนร่างไม่ใช่ถอดจิตออกไปข้างนอกนะเจ้าแต่ตอนนี้ตัดเดี๋ยวนี้พอขับมาดูมันก็บางทีมันก็รู้สึกเหมือนกันว่า เป็นเป็นอย่างอื่นยยกหน้าแต่บางทีมันก็รวมเออนั่นแหละกรวมบ้างแยกบ้างใช้ได้แต่แต่ว่ามีความึกไม่ใช่ไม่ใช่ชข้ามรวงไม่ใจไม่ชอบแล้วรูเข้าไปซื่อๆอย่างนี้เลยนะ ม, มันไม่มีอะไรที่ต้องขํามขรวงเลยใจมันขํามรวง<ม>โ อ, อย้ยางงอนอย่างนี้รู้ทันปุ๊บต้อขาดหมดมันก็เกิดดับให้ดูง่ายๆมันไม่ง่ายอีกแล้ว แต่กว่าจะง่ายกายากเหมือนกันนะมันก็ยังไม่ค่อยเห็นเจ้าฝ่าแตัว่าต้องอารมณ์แรงกว่านี้ก็ก็ตอนนี้คือติดเก้งก่อนพยายามจะแก้ตูดีก่นแล้วดูกระดูกไปแล้วมันเหมือนกับเอาระเบิดโยนใส่ตัวเองแล้วกระจะคือมันทําอย่างนี้มาบ่อยเหมือนกันเจ้าฝ่าได้ๆด้แล้วแ้วก็เผาไปให้หมดไปเลยเจ้าฝ่าก็บางทีก็ทำเบาๆก็และจะเหลือแต่จิตตรงเดียว ติดดวงเดียวแล้วพอออกมาออก็มาระเบิดมันอีกเผามันอีกมาฉีกมันอี ก, กขอนะเข้าออกเข้าออกนี้บ่อยๆครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ทํามาอย่างนั้นแหละอืมครับดีนะขอบคุณครับต่อไปไหลาเรียนหลวงพ่อค่ะห น, นูอยากจะขอถามหลวงพ่อว่าช่วยดูว่าที่หนูปฏิบัติมาทุกวันนี้เป็นยังไงหนูเห็นกิเลสบ่อยขึ้นไหม เยอะไหมไม่ทราบว่าเยอะหรือเปล่าแต่เห็นตัวเองเห็นตัวเองแบบไหนเห็นตัวเองกระตุกกระดิกงี้ป่ะเห็นก็พยายามดูตัวเองให้มากที่สุดแลด้วจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมจิตตามธรรมดาเหมือนตอนนี้ไหมปกติมันก็เป็นอย่างนี้ปกติเป็นอย่างนี้เลยเหร อ, อติดเพลง <c oughs> <c oughs> หูไม่ได้เพง่งมันมันรู้สึกไหมมันนิ่งๆอยู่ข้างในตัวหนึ่งูเฉยเยนั่นแลหละไอ้ตัวเฉยนั่นแหละห้ามเฉยห้ามเฉยนะให้มันกระดกกระดิกรดีก็ได้อะไรยังดีกว่าเฉยๆฉยไม่ใั้มันเฉยตลอด น, นี่แหละนักปฏิบัติ <c oughs> ต้องอย่างนี้เลยนะปลุกมันขึ้นมา๋ยวให้มันเฉย ให้มันดีใจบ้างเสียใจบ้างให้มันชอบบ้างให้มันเกลียดบ้างอย่าให้เฉยครูบาอาจารย์สอนนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะแต่เฉยเออนั่นแหละที่ผิดละ <c oughs> บางทีภูมิใจนะบางคนเฉยได้ที่ภูมิใจนะบางนจะติดตลอดชาติเลยตาเนี้ชาติหน้าก็เฉยอีกไปแก้ซะให้มันเคลื่อนไหวหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทำไม่ถูก หนูก็ไม่รู้ว่าหนูแค่อะไรหนูอย่าทำเลิกปฏิบัติได้ไหมหนูไม่ได้ปฏิบัติอะไรว่าหนูแค่สวดมนต์เออนั่นแหละปฏิบัติหนูแค่สวดมนต์วันละมากๆาเออดลองสวดน้อยๆแล้วออกมาทำงานบ้านเียอะๆไปทำงานนะไปเคลื่อนไหวก็แต่หนูดูเฉยๆเยอะนั่นแหละไปแก้ซะบอกให้แล้วนะ มัมไม่ไมดีมันจะไม่ดีตกว่า น, นี้เหรอคะไม่ดีกว่านี้เลยเหรอไม่ดีต่อไปมันจะรู้สึกกูเก่งหรือซ้ำน <c oughs> ใครๆก็าวุ่นวายกูเฉยเ <c oughs> นี่ยกูเบ่งขา <c oughs> ปล่อยวางเออปล่อยวางคิดว่าหนูปล่อยวะเนี่ยปล่อยวางข <c oughs> ้าราชกไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น <c oughs> จะเชิเออไปยุ่งซะบ้างไป <c oughs> อ่ะต่อไปหมดได้ยัง <S <S <อ>นั่นแหละติดละเมื่อกี้เนี่ยดูดออกมาทีแล้วรู้ใช่ไหมตอนนี้กะตะเกียน<อ>กลับไปผิดอีกแล้วมันมันัมนบมาเวยอีกแล้วอย่าให้เวยให้มันดีบ้างรายบ้างห้ามเวยอ่ะกล่าวดวมรดกการหลวงพ่อค่ะหนูปฏิบัติมาสามปีเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อสองครั้งครั้งล่าสุดเมื่อกลอบจะสงองปีแล้วค่ะ หลวงพ่ออกว่าหนูปุ้ ง, ง, งี้หนูก็หลังจากนั้นก็คือปฏิบัติไปเรื่อยๆอะค่ะมันเกิดความรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่ก้าวหน้าเหมือนกับคือคือคือหนูอะในรูปแบบยังพอรู้สึกตัวแต่ถ้าออกจากรูปแบบในชีวิตประจำวันนั้นมันว็ย้รู้สึกตัวได้น้อยอะค่ ะ, ะติดอะไรไหมคะทํางานที่ต้องคิดเนี่ยรู้สึกไม่ได้นะอย่างเวลาเราทํางานที่คิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาจดจ่ออยู่กับงาน มันไม่้มารู้กายรู้ใจได้หรอกแต่ถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายเนี่ยรู้สึกได้ค่ะเวลากึศขึ้นหนูหนูรู้สึกว่าหนูติดอะไรหรือเปล่าต้องถามไม่ติดหรอกเดี๋ยวไปกังวลมากที่ทำอยู่ถูกไหม่ะไม่อยากตอบถูกใช่ไหมมันดีขึ้นนะแต่ถามว่าถูกไหยมันไม่เต็มร้อยมันติดอะไรค่ะมันเตียงก็จะติดเพ่งอีกแหละมันก็มีอยู่นิดหน่อยไม่มากก็ถือว่าใช้ได้ มันไม่ได้คงที่ตลอดรู้สึกไหมใจเรายังเปลี่ยนแปลงได้ใช้ได้ถ้าเฉยตลอดใช้ไม่ได้นะเมื่อกี้น้องคนนี้ส่งก็ก็มีความรู้สึกเวลาเดินจงกลมหรือว่าเวลาเวลาสวดมนต์บางครั้งส่วนมากจะเป็นเดินจงกลมค่ะบางครั้งรู้สึกเมันเฉยจริงๆเหมือนกับน้องคนงนี้ต่างตันและทำไมไม่รู้สึกว่ามีความสุขหรือหรือมีความคิดแต่แต่ก็รู้ว่ามันเฉยอย่างนะคะรู้ว่าเฉยไปนะแล้วออกมาแล้วไม่เฉยใช้ได้ น้องคนนี้เขามีปัญหาคือออกมาข้างนอกเขาก็เฉยอีกะมันเฉยเยอะไปแ ล, แล้วต้อ ง, ต, องต้องทายัางไงให้คือต้องที่มันเฉยเนี่ยเพราะว่าโลภตอนที่เฉยนะเพราะว่าโลภมันอยากดีมันอยากมีสติรูต้ตัวตลอดเวลามันเลยเจ้ามไหมใจมันก็เลยเฉยเฉยนะเพราะฉะนั้นรักดีหามจัว่วเฉยเฉยก็เหนื่อยเหมือนกันเลยกล้ากล้าหน่อยกล้ากล้าเลย ก้าที่จะดูในชีวิตประจำวันทาไมมันออ ท, ำมทำไมบางครั้งมีความรู้มันไม่เห็นนะคะไม่เห็นรู้ว่าไม่เห็นอยากเห็นรู้ว่าอยากถ้าดูจิตไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันเดินร่างกายมันหายใจมันยังไงมันก็ต้องเห็นน่ะไม่เห็นกายไม่เห็นจิตก็ต้องเห็นกายก็อย่าไปเพ่งอย่าไปตันจิตถอยลังนะมันจะตั้งกูรูมากไปอย่าไปจงใจดึงเพื่อจะให้ขันมันแยก เป็นธรรมชาติแยกก็แยกรวมก็รวมไม่ต้องรักษาว้าให้แยกตลอด น, นะก็ประคุณค่ะหลงพ่อมาสกการะหนงพ่อคือไม่เคยรู้จักศาสนาพุทธมาก่อนไม่ไม่่อยเข้าวัดไม่รู้พระสงวัดพระธรรมคือไม่รู้จักอะไรเลยค่ะแล้วมีโอกาสไปนั่งสมาธิพขาโดนที่บริษัทบังครับไปโแล้วนั่งสมา ร, รู้สึกว่ามันสงบพอสงบแล้วกลับมารู้สึกว่า เออก็ดีนะสงบแต่พอพูดเธอเจ้าสอนอะไรอยากรู้จังก็ค่อยๆเริ่มศึกษาแล้วแฟนมาแนะนําหลวงพอ่อว่าลมฟังหลวงพ่อดิฟั ง, งพ่อไม่ได้สามเดือนในยูทูบอะค่ะอืแล้วมีอยู่วันนึงหนูนั่งสมาธิแล้วก็มันเจ็บขามากเลยค่ะหนูก็ุยเจ็บมมันเจ็บเออเจ็บก็ส่วนหนึ่งใช่เออนีนขาขาก็อีกอย่างหนึงองไอตัวที่รู้ไปรู้สึกความเจ็บก็อีกตัวหนึง่งแล้วก็มี จิที่อีกตัวหนึ่งยืนอยู่ดูทุกอย่า ง, างนี่นะค่ะถูกแต่ถ้ามันแยกเองใช้ได้นะไม่ต้องจงใจแยกมันไม่ค่อยเห็นนะคะหลวงพ่มันก็เห็นแค่ครั้งนั้นแต่หนูก็เฉยๆแล้วค่ะไม่เป็นไรเห็นครั้งเดียวก็ได้ประโยชน์เยอะนะมันเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บอกว่าชั่วช้างกระดิกหูงูแลบพินแป๊บเดียวเห็นแป๊บเดียวแล้วก็มีอานิสงส์เยอะ รู้สึกไหมว่ากล้กับใจโคแลนกันรู้สึกค่ะนะรู้สึกไหมว่าความรู้สึกทั้งหลายสุกทุ้งดีชั่วกับใจขรงโคนลนใช่ค่ะนะนันคือขันมันแยกเราแล้วนะกับ น, น ร, รัตการหลวงพ่อคะ่ะตาทั้งแรกที่ตั้งใจมาปฏิบัติก็เพื่อจะมาเอาเออฉลาดพอปฏิบัติปฏิบัติไปก็เริ่มรู้ว่า กายก็ไม่ใช่เราออวันนึงเห็นจิตมันแหวกออกมาก็รู้ว่าจิตมันก็ไม่ใช่เราแล้วก็รู้อีกว่าทุกอย่างมันไม่จรลังในโลกนี้อะไรอะไรก็ไม่ให้อาลแล้วก็ <c oughs> ไม่เอากระทั่งความคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่เอานะอยาให้ความรู้สึกครอบงำใจเข้าใมไหมตอนนี้ถูกความรู้สึกครอบใจแล้วให้รู้ทันไม่ให้ครอบ ถ้าครอบก็เสียความเจ็บปวดก็คือแค่ให้รู้ว่ามันก็คือไม่ให้เอาเออก็เห็นมันความรู้สึกมันครอบใจเราได้ค่ะก็รู้ลงไปัก็แยกออกไปอีกค่ะแล้วก็ได้เห็นอยากให้ลุงพ่อหนูไม่รู้ว่าหนูคิดเองคือวันหนึ่งอยู่ปุ๊บหนูก็เห็นทุกคนบรรดเนี้มีความทุกข์แล้วก็ทุกข์มากๆด้วยแล้ว่าเนี่ยใจเราถูกอารมณ์ครอบงำระวังตัวนี้นะไปดูตัวนี้เราถึงจะไปต่อได้ แล้วก็ที่ห่วงพ่อให้รักษาศีลหนูก็ได้รับผลกรรมของศีลก็คือเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราอันนี้หนูได้อันนี้ส่งมา <c oughs> แล้วจนมีวันหนึ่งเราก็คอยพิจารณาศีลว่าบกพร่องไหมด่างพ้อยไหมหรือมีอะไรไหมแล้ววันหนึ่งปุ๊บอยู่ๆก็เห็นว่าวันที่ห้าเราจิตมันบอกว่าวันนี้ศีลดีแล้วก็ไม่ด่างพ้อยไม่อะไรอยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาว่า เมื่อสินดีอะไรดีก็คือพระอันนี้หนูไม่รู้หนูบ้าไปเปล่าเอออย่าไปเชื่อมันแล้วก็รู้สึกได้เห็นถึงความสุขที่แบบอิ่มเ อ, อิบขึ้นมาอืก็ก็รู้สึกสรเราทำภาวนาถูกแล้วนะไม่ทำํำอีกแต่ว่าจิตใจนะ่ะมันหวั่นไหวง่ายไปอารมณ์ครอบงำใจง่ายไปอย่ายอมตัวนี้นะอารมณ์มาให้รู้ทันส่วนที่ภาวนาที่รู้ที่เห็นนะั้นมันถูกแล้วนะ ตัวรอไม่มีหรอกอตัวตนไม่มีหรอกนี่เราก็สังเกตไปเรื่อยๆไม่ริบร้อยเป็นพระโสดาเราไม่ได้ภาวนเพื่อจะเป็นอะไรทั้งสิ้นเราภาวนเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจไปได้มันไม่มีเจ้าของสักอันเดียวกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมศุครทุกดีชั่วก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราตัวอย่างนี้เลยมันเริ่มเบื่อ มันเริ่มเห็นความเน่าของกายน้ยํายังทีแบบต้องอาบน้ํามันอีกแล้วต้องแปรงฟันให้มันอีกแล้ว ม, มันน่าเบื่อมากไม่แหละโทรศัพยังครอบใจนะให้ไปดูนะใจยังไม่เป็นกลางเขาเห็นตามความเป็นจริงแล้วล่ะเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหนายนี่ความเบื่อหนายมันครอบใจซะ ก, ก่อนต่ไปถ้ามันไม่ครอบนะมันจะคลายความยึดถือออกไปแล้วก็หลุดพ้นไปค่ะช่วงนี้หนูรู้สึกกลัวกลัวคืออย่างเช่น เจอลูกค้าหลอกเข้าไปดิบ่อนการทันนานอย่างเงี้ยค่ะออกมานี่กลัวมากกลัวจนนอนไม่หลับหรือคักช่วงหลังนี้ก็คือแม้กระทั่งเห็นพวกผับหรือข้าวลาโอเกดหนูจะวับเลยหรือว่าเห็นบางคนรู้ว่าโอเคคนเนี้ยเขาชอบโกหกอย่าเงี้ยเรารู้ปุ๊บเราจะแบบเราจะเบิร์นกะ็ต้องรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางนะไม่รู้ตัวนี้ไปหลวงพเห็นกิเลสเห็นเฉยเฉยอะใครๆครมันก็มีกิเลสเห็นค้าวาโอเกดไม่รู้หรอกเพราะว่า ไม่เคยเข้ามามันกลัวค่ะมันกลัวขึ้นมาใจมันจะสั่นเออมากไปอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องเราอ่ะค่ะมันก็กลัวนั่นแหละอารมณ์มันคล่องนำจิตมากไปคไม่เป็นตัวของตัวเองให้รู้ทันว่าถูกอารมณ์คร่องําดูตรงนี้นะเอาตัวรอดก่อนตอนนี้ทํากรรมฐานเห็นความจริงแล้วแต่ว่าใจยังไม่ไม่ไม่เป็นอิสระกับมันใจยังปฏิเสธมันอยู่ให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตอนนี้ ตนพอที่เป็นที่ตอนนี้หนูพอเป็นที่พื้นของกันบ้โนได้เลยค่ะกลับไปขอบคุณค่ะให้ผ่านตัวนี้ให้ได้เลยนะกลับนามสกับอาจารย์พยายามปั่นกันบ้านมาส่งแต่ไม่มีใครจะส่งครับเออส่งไม่แมีอะไรต้องต้องขายบ้างภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะครับดูรูปดูนามก็ทํางานนะ เขาหนูนั่นแหละภาวนาใช้ได้นะแต่ว่ามันมาเจอวิปัสสนูมันถูครอบไปก่อนอนะไม่งั้นจะติดอย่างนั้นเรียกว่าเป็นพาริยะนะหมายว่ว้ปัสสนูนี้พอเป็นแล้วบางคนว่าเป็นอาลหันเลยเห็นไหมใจยังตัวอารมณ์ครอบงำเพราะาลียะอะไรตัวอารมณ์ครอบงำดูไปฮะมัสการหลวงพ่อครับต้ฝึกที่หลวงพ่อสอนก็คือแยกขาดแยกขันนะครับอันนี้ ก็ฝึกอย่างนี้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นการแปี่ยนแปลงโดยโดยไม่ต้องไปอธิบายอะไรนะครับก็คือแต่ว่ามันไม่รู้ของอารมณ์ด้วยครับคือมันไม่เห็นความก้าวหน้าหรการเปลี่ยนแปลงที่ฉันเหมือนตอนช่วงแรกๆอะที่หลวงพ่เห็นนีก้าวหน้ามากนะตอนนี้กับแต่ก่อนเนไม่เหมือนกันแนละแตกต่างกันเยอะเลยสมัยก่อนทําไมหารใหม่ๆดูมีความแตกต่างมากเมื่อก่อนดำร้อยเอร์เซ็นตนะขาวขึ้น ห้าเก็ขาวมากแล้วเดี๋ยวนี้สมมติเสื้อดำอยู่สี่สิบมีขาวเพิ่มขึ้นหน่อยไม่ค่อยรู้สึกแล้วมีแน่ใจว่าบางครั้งพอรู้แบบรู้แบบสบายๆมันจะเหมือนกับรู้แบบไม่ต้องจงใจไม่ต้องทําอะไรมันก็เลยเลยดูเหมือนไม่ได้ปฏิบัติอันนี้แหละดีแต่ว่าเราต้องทําในรูปแบบทุกวันอย่างน้อยเราก็มีหลักยืนว่าได้ปฏิบัติแล้ว ส่วนการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ได้ปฏิบัติหอกรู้อย่างที่เป็นทาถูกแล้วละ่ะแต่ว่าต้องทําทในรูปแบบนะไม่งั้นนานๆจะฟุง้งมีก็พยายามทำในรูปแบบทุกวันนั่นแหละดี <ๆ S 2> ทันนะแล้วก็ทําไม่ใช่เพื่อเอาอะไรทําเป็นพุทธบูชามรดการเท่ากันสมการบ้านในรอบหนึ่งปีทุกวันนี้ก็ทําในรูปแบบทุกวันแล้วก็รับ ดูสี่ห้าอืมอ่าแล้วก็ระหว่างวันก็ดูดูดูดูเท่าที่ดูได้ค่ะก็ดีเลยอ่าแยกไกลเนยนนก็เห็นเห็นถูกงานของมันได้เร็วเออเราไม่ได้เอาอะไรนะแล้วก็มันดีขึ้นนะคะแล้วก็มาช่วงหลังรู้สึกว่ามันเสื่อมแล้วเอมันมันทำเหมือนเดิมแต่มันลงนั่นแหละดี อ, อ๋อมันรักษาไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่เรานั่นแหละสุดยอดเลย ก็เสือมเพราะว่าขี้เกียจนชะ่ไหมมันจะไม่เห็นมาใจ่หลักนะอย่างนี้ไม่เห็นใจ่หลักบานะงคนใช้ได้แล้วนะจะทําอีกขอ็ขอพวกเราส่งกันบ้านนะครับก็ให้กล่าวสาธุสามครั้งอพร้อมๆกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอนุโมในบุญอนุโมในธรรม